เครับครับเพิ่งพัฒนาครับเพิ่งพัฒนาได้ประนามสักการ์พระอาจารย์ค่ะคุณบอยแล้วก็คุณหลานด้วยนะคะค่ะพระอาจารย์ก็วันพุธที่แล้วพอพอคุยเสร็จปุ๊บอนุกุศขึ้นมาเนี่ยก็ตื่นตีสามพระอาจารย์เพราะจะนั่งสองชั่วโมงที่บอกที่บอกก็ไม่ก็นั่งได้เลยนะคะพระอาจารย์คือพอมันเข้าใจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันมันคือมันคือไม่ได้อยากไม่อยากให้มันไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยก็นั่งกับพื้นนะพระอาจารย์ ก็ตอนที่นั่งอไม่มีอาการอะไรเลยแต่พอพอนั่งเสร็จสองชั่วโมงพอเสร็จแล้วเนี่ยตอนแรกๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พออาทิตย์ปลายขาไปรุบุ๋มเลยพระอาจารย์พนั่งกับต้นไม้แต่ก็ก็ขาก็ชาแสดงว่าก็ก็คือนั่งนั่งกับไม้พระอาจารย์แต่ว่าตอนที่นั่งอยู่เนี่ยนั่งได้แล้วก็ความสงบก็ยังยังมีแบบสงบแล้วก็พอลมหายใจหายอ่ะก็พอพอดูแค่ความสงบมันก็มีหลุดเหมือนกันพระอาจารย์ก็เริ่มใหม่ แต่ก็นั่งก็คือไม่ได้ลุกนะั่งก็นั่งไปเรื่อยๆถึงสองชั่วโมงครูผาจัรว่ากลางวันก็สองชั่วโมงสิห้านาทีตอนบ่ายก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตอนคืนเนี้ยก็เพิ่มนั่งให้เร็วขึ้นเพราะถ้านั่งกลางคืนมันจะร่วงก็เลยนั่งให้เร็วขึ้นมันประมาณสักหกโมงค่ะผ้าจากรเน่เนก็นั่งไปเรื่อยๆทําใจให้มันสงบ<ะ>ไม่ว่าเราจะเกิดขั้นกับร่างกายก็ปล่อยมันเกิดไปแล้วทำให้มาฝึกจิตให้จิตมันเน่งเฉยๆไม่ให้ทุกข์กับอะไระใช้สติ ใช้ปัญญาปัญญาพิจารณาทุก อ, อย่างเปน็นอนัตตาเราไปบังคับเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เขาจะเป็นอะไรก็ไปเขาเป็นไปเราก็อยู่ของเราไปอยู่ในอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไปถ้ามันไม่ยามสักแต่ว่ารู้ก็พุทโธพุทโธบางทีมันมีตัณหาความอยากยังไปอยากไปยุ่งกับเขาอยู่ก็ดึงมันกลับมาด้วยพุทโธทพุทโธพุทโธ ทำมีไปไปพิจารณาทำปัญญาหเห็นว่าทําอะไรเขาไม่ได้ไปยุ่งกับเขาทําไมไปยุ่งกับฝนตกแดนออกทําไมยุ่งไปก็เหนื่อยเปล่ๆาๆหัดอยู่กับเขาไปดีกว่าเริ่มเริ่มเข้าใจนะ อ, อาจารย์ต้องกราบขอบพระคุณเพราะว่าฟังของอาจารย์พูดถึงสติปัฏฐานสี่เมื่อวันที่สามสิบพฤศจิกามันมันคือเข้าใจอ่ะเพราะว่าเราก็ท่องที่พระอาจารย์บอกให้ท่องก็ท่องมา มันเยอะอย่างพระอาจารย์บางทีท่องไปก็ไม่ค่อยเข้าหน่อยแต่ว่าพอฟังพระอาจารย์พู้ก็เลยเข้าใจเลยว่าสติปัฏฐานสี่อ่ะมันเป็นสติ สติสมาธิและปัญญาตอนนี้เราหน้าที่เราคือทําสติโดยใช้กายาคตาสติแล้วก็สมาธิก็ใช้อัปปนาสมาธิแล้วปัญญาเนี่ยก็ใช้ใตรักที่พระอาจารย์บอกมันเริ่มเข้าใจเพราะว่าพอตอนเรื่องเจ็บขาเนี่ยพระอาจารย์ตอนแรกมันทําได้แค่สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงก็ต้องเปลี่ยนตอนนี้มันมันเหมือนกับสองชั่วโมงเนี่ยจริงๆแล้วยังนั่งได้นะพระอาจารย์แต่พอดีมันอาจจะต้องทํางานนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องออกมาก่อนนะคะหลังก็จะเพิ่มเป็น เป็นตีสามอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าถ้าจะล่างให้นานก็ต้องตื่นที่เร็วขึ้นเพราะว่าเวลาของของของของเรามันจะต้องแบบตื่นเร็วขึ้นอะตื่นได้ไดต่อไปเราก็จะนอนน้อยแล้วก็จะปฏิบัติมากขึ้นเพราะเสียดายเวลามีค่าไปกับการนอนแล้ววันนี้น<ำ>ก็ต้องสิ่งแปดนะาาพระอาจารย์เพราะเดือนเนี้ยจากในที่อจากที่ตั้งอธิษฐานบอกพระอาจารย์ไว้ก็คือว่าวันพุธทุกวันพุธจะถือสิ่งแปกับวันพระแต่ถ้าเกิดวันพ<ม>รกับวันพุธก็จะเป็นในที่ละสองครั้งแล้วก็เดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี้ย วันอาทิตน่าจะไปหาพระอาจารย์จะไปเดือนละสองครั้งพระอาจารย์ว่ารู้สึกว่าอู๋ได้กําลังใจพระอาจารย์มากคือเราคุยกับท่านะแล้วท่านแนะนําอ่ะมันเหมือนได้แรงอ่ะแล้วก็มันง่ายอย่างพระอาจารย์พระอาจารย์บอกแล้วมันดูง่ายมากเลยพระอาจารย์เพราะว่าถ้าเราถ้ามันดูยากเราจะไม่มีกําลังใจทํำแต่พระอาจารย์บอกแค่ว่าเออให้ทําสติทำอย่างเงี้ยมันมันดูง่ายอ่พระอาจารย์มันก็เลยมีกําลังใจใช่จริงธรรมะของพระเจ้าในแสนจะง่ายเพราะเรามันง่อยชอบคิด กลายเป็นเรื่องยากไปจรอมง่ายๆพูดโทรคำเดียวนี่กลับไม่เชื่อพูดโทรไม่เชื่อดูมันง่ายไป่ากง่ายเกินไปแต่พอทำอะลงมือทำแล้วมันมันถึงจะเข้าใจแล้วพออ่านที่พระอาจารย์บอกให้ไปอ่านกัรมันฐาน .com อะค่ะก็ไปกดอ่านนะคะก็เพราะว่าชอบนะเพราะว่ารู้สึกว่าพอเราทำปุ๊บเนี่ย มันต้องทําก่อนนะเพราะอาจารย์คือตะก่อนนี้อ่านก่อนอ่านแล้วมันก็เลยยิ่งมันไม่รู้เรื่องแต่พอทำปุ๊บแต่ที่อาจารย์บอกอะ่ะแล้วพอไปอ่านมันเริ่มเข้าใจมากขึ้นตอนนี้ก็กาลังอ่านประวัติของกลุ่มารก็อ่านในของท่านนะคะรู้สึกโอ้โหมีครบทุกอย่างเลยคือทุกอย่างมีครบอยู่ที่เราเองค่ะ <c oughs> ใช่กรรมฐ า, านแะล้วดอดคอมนี่เราเป็นคนทํำเองอ๋อถึงยอดเลยพระอาจารย์ฝีมากมากทำเข้าไปอยู่โอเคนะดีใจด้วยพยายามปฏิบัติไป อย่าตื่นเต้นะพยายามรักษาระดับจิตไว้อย่าขึ้นอย่าลงอย่าพอมันลามมันทําไม่ได้แล้วเกิดมีอุปสรรคมันเด๋ยวก็จะตกจิตตกเองก็ยังไงมันตกก็ใช่สติเดินวนขึ้นมานะอย่าไปมันที่มันตกก็เราไปปรุงแต่งไปอยากต้องระวังในตัวนี้อยากมันลุเร็วๆอยากถึงนิพพานอ๋อไม่ไม่ไรจานหรืออยากอะไรก็แล้วแต่ ขอให้สติมีทั้งวันก่อนตอนนี้ขอตั้งใจให้สติมีทั้งวันแล้วทําสมาธิให้ได้แล้วก็เดี๋ยวปัญญาแบบที่พระอาจารย์บอกก็จะอย า, ะ า, ายพิจารณาไตรลักษณ์กับอริยสัจพระที่อาจารย์บอกแต่ขอสติก่อนเพราะว่าเรารู้สึกว่าสติยังไม่สติยังไม่ทั้งวันยังไม่ได้ยังไม่มหาสติอะยังไม่สติแบบ <c oughs> คุณลุบมจิตให้ได้กลมจิตได้แล้วต่อไปสบายให้ปัญญามันสอนมันได้อันนี้ถ้าไม่กุมจิตไม่ได้สอนมันมันก็ไม่ฟังใช่ไหมใช่ใช่เข้าใจที่พระอาจารย์บอกแล้วตอนเนี้ย ว่าสติกับสมาธิสองสติสําคัญมากมาเลยอ่ะถ้าไม่มีสติเนี่ยปัญญามันก็ได้แค่รู้มันไม่เข้าใจแต่มันเด้อมันไม่มันไม่เชื่อมันไม่ฟังในาะเวทนาเวทนาที่เตีบขาพระอาจารย์พอคือขณะเราสติเรายังไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็พอมีสติพอเราใช้อย่างที่พระอาจารย์บอกพอเรานั่งอ่ะมันเข้าใจเลยว่าอ๋อมันทําให้เราผ่านเวทนาไปได้พอาอ๋ออย่างนี้เองสติถึงสําคัญพระอาจารย์บอกสติกับสมาธิถึงสําคัญถึงเข้าใจพระอาจารย์อ่ะดีมาก เดี๋ยวไปท่านต่อไปนะคุณภาธนาอยากจะพูดอะไรเดี๋ยวรอรอบรอบที่สองมาแล้วกันนะค่ะขอบพระคุณค่ะคุณสุภาพเชิญคุณสุภาพอยู่ที่ไหนครับกัณฑ์มาตรการครับพระอาจารย์อยู่ลบบุรีครับลบบุรีเป็นยังไงปฏิบัติดีไหมครับดีครับดีครับมาเมากครับเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาครับเพราะว่าติดภารกิจกลัวว่าจะเข้ามาผุกุโผลก็ คิดว่ามีควรครับก็เลยไม่ได้เข้ามาครับผมมีอะไรจะพูดไหมไม่ไม่มีครับก็มาขอชาร์จพลังกับพระอาจารย์ครับแล้วก็มารายงานตัวครับอ่าก็เชิญเชิญฟังไปเรื่อยๆนะครับวันดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับอครับยันนี้เป็นพี่นํากันแล้วนะเรื่อยๆเลยครับครับครับครับเป็นนเรียนห้องเดียวกันเดียนห้องเดียวกันชั้นเดียวกัน อ่คุณเกษรินโบสจากนอร์ทแคโรไลนาวันนี้แองเจ้ายังไม่เตือนนะการนมันสการค่ะพระอาจารย์แองเจ้ายังไม่ตื่นเจ้าค่ะอืมีอะไรจะเล่าไหมครัอสบายดีถ้าไม่สบายคงจะไม่ได้มาโผล่ตอนนี้หรอกเจ้าค่ะสาสุเจ้าค่ะโ <laughs> ยไม่มีอะไรเจ้าค่ะมาร่วมฟังธรรมเฉยๆเจ้าค่ะ เอจ้าค่ะโอเคได้ปฏิบัติอยู่หรือเปล่าปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าการปฏิบัติโยมมันรู้สึกว่ามันมันไม่ก้าวหน้าเจ้าค่ะพระอาจารย์มันลุ่มลุ่มโดนโนมันไม่ปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอมั้งใช่ไหมเจ้าโยโมก็ปฏิบัติมันเหมือนว่าโยมมีมีปัญหาเรื่องทางด้านหลังอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะช่วงกลางคืนโยมจะนั่ง พยายามฝืนนั่งเจ้าค่ะแต่ก็นั่งได้ไม่นานก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งโยมพยายามจะนั่งเยอะแต่มันมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันปวดมากเจ้าค่ะอนั่งเนท่าที่นั่งได้นั่งไม่ได้ก็เดินเดินเยอะๆก็ได้เจ้าค่ะเดินนานๆก็ได้สติแล้วเดี๋ยวพอสติมีมากแล้วนั่งมันจะไม่ค่อยปวดนะเจ้าค่ะมันจะผ่านความปวดได้ ้โยกมก็ใช้โยมใช้ในการฟังทำควบคู่ไปด้วยเจ้าค่ะจะได้มีสติอ่าก็ได้อเจ้าค่ะทางที่ดีก็ต้องแบบอย่าไปฟังทำเลยแบบใช้สติอย่างเดียวถ้ายังแต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็ต้องฟังอาศัยทำเป็นเป็นตัวเดิงสติก่อนแต่ต่อไปต้องใช้สติของเราเองดีกว่าเจ้าค่ะ อันนี้ยังเป็นเหมือนเรื อ, อนนี้มยังเป็นเหมือนเรือพ่วงอยู่ต้องให้ธรรมะฟังธรรมเป็นตัวลกเอาไปต่อไปเราต้องใช้พุโทโธพุโทโธหรือสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเราจะได้อโอเคก็ทำไปนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ ค, คุณโยมจากเยอรมันชื่ออะไรนะเชิญ นามักการเจ้าค่ะชื่อวิลาสินีค่ะวิลาศินีค่ะท่านพอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินวิลาศินีค่ะวิลาค่ะรอลินค่ะวิลาสินีค่ะอ่าเป็นยังไงวันนี้มีอะไรไหมมีค่ะยมเหนื่อยมากเลยเมื่อคืนยมแทบไม่ได้นอนเลยค่ะสอบได้สอบนอนสักสองชั่วโมงอะค่ะท่านพอาจารย์มันหลับตาลงแล้วมันสว่างแสงจันทร์เรืองๆอะค่ะแล้วพอยม ก็เลยภาวนาแล้วก็หลับไปไม่รู้อะค่ะรู้อยู่ที่เหมือนดวงพระจันทร์สองยงเนี้ยคะ่ะทั้งคืนเลยอะค่ะถ้ามันไม่หลับถ้ามันไม่หลับภาวนาไปรู้เึ้นมานั่งด้วยนอนภาวนาไปก็ได้ค่ะย ม, <น>ยมนอนภาวนาค่ะและยมรู้สึกตัวยมรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าบ้านยมอยู่ใกล้โบสถ์ใช่ไหมค ะ, ะมันจะตีะระฆังทุกทุกสิบห้านาทีค่ ะ, ะมันตียมก็รู้ เขาไปนอนห้าทุม่มมันตีถึงตีสามยมยังไม่ได้นอนเลยนะคะท่านบทพูดหือบอทคิอดอ่ะบทคิดใช่ไหม บ, บทบทคิดค่ะเขาจะตีทุกๆุกสิบห้านาทีนะคะ่ะปัญหาอีกอันนึงก็คืออย่าไปอยากหลับถ้ามันยิ่งอยากมันยิ่งนอยไม่หลับอย่างใช่คะ่ะคงาจะเป็นอย่างนั้นแต่อาจจะเป็นเพราวันนี้กดดันเพราะว่ายมต้องพรีเซนต์งานนะคะยมเลยความสุขตัวต้องหลับนะไม่งั้นเราจะไม่ได้เนาะยิ่งไม่อยากยิ่งต้องหลับมันยิ่งไม่หลับอย่ ใช่ค่ะตองดูลงไปต้องดูลงไปเรื่อยๆแล้วไม่ตัดสนใจจะหลับก็ไม่หลับก็ไม่เป็นไรี๋ยวมันหลับเองก็งเลยวันนี้ก็เลยหกโ ม, มงครึ่งถึงที่ทํางานแล้วว่ะค่ะเช้านี้แล <laughs> ้ไปเวลาก็มีสติพุทโธพุทโธไปพิจารณาว่ามันเป็นเวทนาเนี่ยอาการงวงเหงาหาวนอนอาการที่รู้สึกไม่สดชื่นเพราะมันร่างกายมันอ่อนเพลียมันไม่ได้พักผ่อนเราทําอะไรกับ แสงสมองนี้ไม่ได้เลยหรอคะแทนพระจันทร์หมายความว่าไม่ได้อย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันยิ่งไปยุ่งกับมันมันยิ่งมันยิ่งมารับกวนเราเนี่ยก็อาศัยสตินี่เ่าอาศัยพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจมันมันหดลงมาค่ะมันหดมาแล้วมันจะแน่นๆตรงตรงปลายจมูกค่ะมันจะเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจอยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่าไปอยากให้มันแตกไปก็ไม่ได้ใช่ไหมค่ะไม่ได้หรอกมันอนัตตาเป็นอนัตตา อย่างเหมือนเหมือนลมพัดเหมือนแดดออกนี่จะไปให้มันหยุดไม่ได้ถึงเวลามันหยุดเองเราก็อย่าไปยุ่งกับมันแล้วก็ดำเนินชีวิตของเราไปตามปกติของเรามันจะมันจะตามมามันจะมาเป็นเพื่อนกับฝ่ายมันมาเหมือนแสงแดดแดดมันจะออกก็ฝ่ายมันออกไปอย่าไปอยากอยากเครียดอยากาเครียด เรากดดันตัวเองให้นอนหรือเปล่าเมื่อคืนเมื่อกี้ยอมกลับมายอมเหนื่อยมากเลยคะ่ะยอมว่าเอ็นหลังสักหน่อยถ้าจะดีมีเวลาเหลืออะไรนะคะก็เลยเอ็งหลังลงไปมันก็เหมือนเดิมคะ่ะท่านอาจารย์มันไม่ไปไหเพราะมันอยากอยากอยากหลับมันก็ยิ่งไม่หลับอย่างเอ็งหลังแล้วก็ดูแต่วันนี้เหนื่อยมากๆคงจะนอนได้คะ่ะนอนแน่ๆล้วถ้ามันอยากจะหลับเดี๋ยวมันก็ไม่หลับอย่าไปอยากนอนได้แต่ นอนแล้วก็ดูลมไปทําใจเฉยๆหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้อย่าประหยาดให้มันหลับถ้าเดี๋ยวมันก็หลับเองนะวันนี้ยังไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีค่ะมีแต่นอนไม่หลับนี่แหละค่ะโอเคอย่าประหยาดอย่าอย่าอย่าประยาดให้มันหลับมันมันไม่หลับก็ปล่อยมันไม่หลับไปแล้วก็นอนดูลมไปนอนพูดโธไปก็ได้เดี๋ยวมันหลับเอง เวลามันหลับมันมันไม่ใช่สิ่งสาระสําคัญอะไรเลยใช่ไหมคะท่านพระอาจารย์แสงสว่างอะไรนี้ไดเลยไม่ก็เป็นนี้ที่มันลอยอยู่ข้างหน้ามันเป็นอาการของจิตนะมันเป็นเหมือนกับเหมือนกับอาการของดินฟ้าอากาศมันเป็นธรรมชาติคือรู้มันแล้วก็ปล่อยวาอะไรเลยใช่ไหมคะใช่สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยว่างรู้ว่ามันเป็นอนิจจังอนัตตาถ้าไรอยากก็จะทุกข์ก็จะเป็นทุกข์ขัง มันจะหายไปเองใช่ไหมคะยมู้สึกบางทีเราตอนนี้มันก็หายไปแล้วตอนนี้มันก็ไม่อยู่แล้วไม่เใช่ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวพอเราอยู่คนเดียวเดี๋ยวพออยู่คนเดียวมันก็จะกลับมาเองไงพอเราพอเราไม่ไปสนใจมันเราไปพูดไปคิดไปทําอะไรอย่างนั้นมันก็หายไปนี่ไม่เป็นไรมันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปนะค่ะค่ะไม่มีอะไรค่ะกขอบคุณค่ะ คุณสุภาธนาบัณเดี์จามาจากบอวินอ่ารูปวัฒการพระอาจารย์เจ้าค่ะจากบอวินเน่ะค่ะวันนี้คิดว่าพระอาจารย์ยัไว่ไล่แล้วเห็นใกล้ๆห้าสิบห้านาทีแล้วก็ยังไม่เห็นก็พอดีคุกขาดนิดหน่อยด้องค่ะพอเขาเห็นมาก็ดีใจแตเปิดเข้าเปิดเข้าไว้เป็นอันนี้ยังยังเปิดเข้าเฟซบุ๊กคนนยังไม่เปิดก็ตอนนี้มันมีความรู้สึกว่า จากที่ที่ อ, อฟังพระอาจารย์ไปแล้วก็ไปพระอาจารย์เนยบอกว่าให้มีสติเยอะๆก็พยายามพยายามทําอยู่นะคะแล้วก็ในมันมันมาเห็นตรงที่ว่าเวลาเรามีความโกรธขึ้นมาเนี่ยเราจะยั้งความโกรธได้ทันนะคะพระอาจารย์อันนี้ที่ที่มันยั้งได้เนี่ยเป็นเพราะเป็นเพราะว่าเรามีสติใช่เมื่อเรามีสติมีสติเป็นเบรกเป็นเบรกของใจ ไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่เราหยุดเองไม่ได้คิดเองใช่ไหมเจ้าคะก็นั่นแหะสตินั่นแหะพอเรามีสติพอเราไม่เมว่ามันอะไรเป็นอะไรไม่ดีแล้วก็หยุดมันได้แล้วก็จะเอาคําพูดของพระอาจารย์เอาคําสอนของพระอาจารย์มาบอกว่าให้เมตตาให้เมตตาพอดีพอพอคิดตรงนี้ปุ๊บมันเหมือนกับมันก็เหมือนกับว่ า, วาความความโกรธลดลงแล้วมันก็หายไปตอนไหนไม่ทราบนะคะพระอาจารย์ แล้วเราก็มาเริ่มเริ่มมีสติใหม่แต่มันก็จะขาดเป็นช่ชวงๆเพราะว่าเราทํางานไปด้วยค่ะได้ก็ขณะทางานก็มีสติไปด้วยดูทำมีสติ <c oughs> อยู่กับงานที่เราทําแต่ว่าเอการนั่งสมาธิก็น้อยแต่ว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยมันมันอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันอาจจะลงอาจจะหลับอะค่ะแต่ก็พยายามจะรู้สึกตัวให้ใ ห, ให้ให้ตลอด ในขณะที่นั่งอืจะนั่งได้เงียบไปประมาณได้ยี่สิบนาทีพอดูนาฬิกาก็จะยังอ่าตอนตอนเนี้ยที่เรามีสติอยู่ในขณะที่ที่นั่งสมาธิเนี่ยมันได้เต็มที่อยู่ที่ประมาณยี่สิบนาทียี่สิบห้านาทีครับอาจารย์แต่กอนนั่งยังยังนั่งได้ไม่มากกว่านี้สติกําลังน้อยก็เ <c oughs> วลาฝึกสติไปเรื่อยๆเว <c oughs> ลามันอยากจะลุกก็ลอ ง, งท่องท่องวุ้นทโธใหม่ดูลล <c oughs> เลยลองอีกรอบหน่เลย เรอยากจะลุกเราบังคับเราให้มพุทธพุทธพุทธอไปดูสวดอิติปีโสไปหนึ่งหนึ่งสติกลับมาสติมันหมดเริ่มสติหน่อยแล้วเดี๋ยวอาจจะนั่งต่อไปได้รอบหนึ่งพอมันพอมันยี่สินาทียี่สบห้านาทีมันใจมันถอยอันนี้เราสู้เราสู้ค่ะใจมันไม่สูกต่อเราเราตั้งสติใหม่สวดมนต์ไปพุทธอหน่อยแล้วเึิ่งลุกถ้า ถ้ามันไม่มีอะไรต้องไปทําก็อย่าพึ่งไปลูกหน้าต่อไปเนี่ยยังไม่ก้าวหน้านะพอถึงยี่สิบมันก็จะเต็มอย่างนั้นต้องการนะคกจะก้าวหน้าก็ต้องลุยให้ได้มากกว่านี้พอถือว่ามันหยุดออกมาปุ๊บรอพุทธโทรใหม่เราก็เริ่มตะดหน้าใช้ลูกใช้ลูกชนนะพี่เลยต้องชนมันอย่าไปให้มันไล่เราอย่าถอยสู้ไม่ถอย ขอบพระคุณว่าขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากเลยเจ้าค่ะโอเคนะลองดี่ก็มากราบพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะอ่าแล้วเรามาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงรู้เปไหวไหมขอบค่ะโอเคสาูุเจ้าค่ะท่านต่อไปคุณอัธยาอัธยาอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอเขายอเจ้าค่ะพระอาจารย์เขาย้อยอ่าที่เป็นคุณแม่ของก้อก้องใช่ไหมใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์อ่า ใชบ้อาจารย์ย้อนไถามว่าถ้าลูกไปปฏิบัติธรรมที่วัดแล้วไม่ไม่ได้อุทิบุญให้แม่ค่ะไม่ได้อุทิบุญให้พ่อแม่ค่ะพ่อแม่จะได้บุญพ่อแม่อุทิบุญไม่ได้แล้วพ่อแม่จะได้บุญจากลูกไหมคะพ่อแม่ต้องต้องปฏิบัติเองถ้ายังมีชีวิตอยู่อ๋อถ้าตายไปอุทิบก็ได้นิดเดียวได้แค่เหมือนเศษน้ำที่ติดอยู่ในแก้ว งันทำเองอย่าไปรอให้คหนอืูนทิ่ทุนให้เราเอาถึงลูกถึงลูกปฏิบัติพ่อแม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะือคือจะได้ในทางที่ว่าเขาอาจจะดึงเราให้ไปปฏิบัติกับเขาไงอ๋อพราะถ้าเขาไม่ไปเราก็ไม่ไปพอเราไปก็เราก็อยากจะตามเขาไปที่ก็จะเากาะชายผ้าเหลืองเนี้ยแล้วลูกบวชพ่อแม่ไม่เคยเข้าวัดก็ต้องเข้าวัดไปเยี่ยมลูก ก็เลยพอเข้าวัดก็ต้องไปทำบุญไปรักษาศีลไปฟังธรรมเนี่ก็ได้อาศัยใช้ผ้าเหลืองของลูกหนึ่งให้ไปปฏิบัติเราต้องปฏิบัติบุญเต้องปฏิบัติด้วยตัวเองใช่ไหมคะถูกต้องเหมือนกินข้าวลูกกินแทนเราไม่ได้อ๋อนะงั้นเพรนก็เวลาลูกไปก็บอกว่าม่ไปเป็นเพื่อนเาไหะไปด้วยกนอ๋อไปด้วยกัน บางทีไปคนเดียวแล้วมันก็เขินใช่ไหมเลยไปสองคนมันรู้สึกมีเพื่อนมันมีความมั่นใจหน่อยค่ะพระอาจารย์ต้องทําเองนะเจ้าค่ะบุญอุธิศนี่มันเฉพาะกรณีที่เป็นไปไปเป็นเปรตเทานั้นอนะ่ะที่เขาอุทิศบุญให้อ๋อนอกนั้นแล้วจะต้องต้องต้องสร้าง บ, บุญเองถึงจะไปสวรรค์ได้ไปเป็นเทพไปเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องปฏิบัติเองอ มูนุทิศ ส, ส่งไปไม่ได้หรออ๋อเจ้าคนะ่ะพระอาจารย์มีอีกคำถามเจ้าค่ะถ้าถ้าเกิดเคยเคยไปสี่สังเวสสี่สังเวสที่อินเดียเจ้าค่ะพระอาจารย์จะปิดอบายภูมิได้ไหมคะไม่ได้หรอกคือว่าที่ไปนี่ไปเพื่อให้เกิดศรัทธาเชื่อว่าพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์นี่มีจริงกรรมมีจริงทําบาปก็ต้องไปอบาย พอเชื่อแล้วที่กลับมาก็ไม่ทําบาปนะถ้าไม่ทําบาปที่นี้ก็ปิดอบายปิดอบายได้แต่ถ้าไปแล้วยังกลับมากินเหล้ายังเล่นการพนันอยู่ยังโกหกอยู่ก็ยังไปอยู่นะั่นแหละอ๋อเจ้าค่ะเข้าใจไหมไปเพื่อให้เกิดศรัทธาให้เกิดความเชื่อว่าการกดกรรมกดแห่งกรรมมีจริงรักษาศีลได้แล้วก็จะได้ไม่ไปอบายเจ ถ, ถ้าเชื่อมันก็ไม่ต้องไปก็ได้เนี่ย ครูบาอาจารย์ท่านเห็นไปอินเดียกันเลยหลวงปู่มั่นก็ไม่ไปอินเดีย ท, นะท่านเชื่อแล้วเพราท่านเชื่อแล้วท่านก็ไปลองไปแนละ้วเจ้าค่ะเรา เ, เชื่อหรือยังเราเชื่อกดแห่งกรรมหรือยังเชื่อเจ้าค่ะถ้าเชื่อแล้วก็รักษาศินไปให้ดีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้รับรองได้ว่าไม่ไม่ต้องไปเกิดในอาบายอย่างแน่นอนเจ้าค่ะ อาจารย์การการนอนภาวนานี้อันนี้สงเท่านั่งสมาธิเดินจงกรมไหมเจ้าคะไม่หรอกนอนมันจะหลับนอกจากเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งไม่ได้เดินไม่ได้ก็เอาท่านอนไปแต่มันจะได้ไม่มากเพราะมันท่าสบายเดี๋ยวมันก็ะเคอมหลับไปอ๋อเจ้าค่ะถ้ามันจําเป็นอย่าไปนอ น, นใช้นั่งหรือเดินดีกว่ายกเว้นในกรณีเจ็บไข้ได้ป่วยต้องนนอนอยู่บนเตียงลุกไม่ได้ก็ภาวนาไปเท่าที่จะทําได้ มันก็ช่วยมันก็ช่วยบรรเทาอาการเจ็บได้ป่วยความทรมานเกี่ยวกับอาการเจ็บไข้แน่ปวดก็จะบรรเทาลงเจ้าค่ะนะเจ้าค่ะพอาจารย์อันนี้หัดทําไปให้ได้นะหัดภาวนาไปเรื่อยๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากขอบพระคุณมากเจ้าค่ะอ่าสาธุจ่าอ่าววัดถึงเงินคนแล้ววัดในไงเอ่อสบายดีครับโอ้โหเอีอย เป็นไงตั้งแต่ศึกมาเริ่มตื่นมาก็ก็มันทา้งโลกก็หางานทําอยู่ครับมตอนนี้หายากเศรษฐกิจมันมีแต่เปิดกิจการครัขนดาดแรกเรายังไม่รู้จะปิดหรือเปล่าเนี่ยแม่ล้วนกะ็จะโดนการบินไทยไปทํางานอาทิตย์ละสองวันครับเ อ, องั้นก็ทํากรรมฐานดีกว่างาน<ำ>ที่ยิ่งใหญ่คืองานกรรมฐาน งานหรือพบชาติเนี่ยพานาไปอยู่บ้านอย่าขี้เกียจดินโยกมลนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะไป<ม>โอกาสที่นี่มีมีน้อยเนี่ยเดี๋ยวไปทํางานในงินเดือนนี้ก็ไปมีแฟนไม่มีลูกทีนี้ก็ไม่มีเวลาแล้วต้องคอยเลี้ยงลูกเลี้ยงแฟนไปจนมาตาย น, นั่นนะเอ็งตอนนี้มีโอกาสเนี่ยให้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะวิกฤตก็คือ ไม่มีงานทาําำเรานี่ยังต้องเราออกจากงานนะจะได้ตกงานเนะี่ยแล้วเราจะได้ปฏิบัติธรรมได้หลวงพ่อครับการภาวนาต้องใช้ความ a w แว e n e s s ขนาดไหนครับก็มีสติรู้อยู่ตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่ในปัจจุบันวันนี้มผมวันนี้ผมไปสอบใบขับขี่มารู้สึกว่ามันใช้ awareness มากกว่าตอนเดินจงกรมนั่งสมาธิอีกอะครับหลวงพอ่อก็ตอนนั้นเราตั้งใจไงพอมันมีความตั้งใจ มันอยากจะผ่านมันก็เลยมีความตั้งใจมันก็เลยทําให้มีสติมากขึ้นคือมันก็ปุั๊บปุ๊ป๊อะไรอย่าเงยแต่มันั้งสมายที่มันแบบจะเคลิมไงแต่เวลาขับรถมันจะเอมันตื่นเต้นไงมันมันมันอยากจะได้ไปกับขี่มันก็เลยมีความตั้งใจมีความตั้งใจมั่นมากความตั้งใจถ้ามากขึ้นจะกลายเป็นกังวลใช่ไหมครับหลวงพ่อใช่ถ้าเป็น ตั้งใจแล้วมันทําให้เครียดก็มากเกินไปตั้งใจเพื่อให้เราปฏิบัติแล้วจะได้มากมันได้น้อยก็อย่าไปกังวลกับมันทำไมทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์พุดโทเหมือนกันแต่บางคนมีฤทธิ์บางคนไม่มีฤทธิ์ครับเพราะทา ง, ง, งที่ปฏิบัติเหมือนกันนะครับอ่าก็อันนี้เป็นเรื่องเรื่องวาสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเรื่องของวาสนา บางคนก็มีนิดบางคนก็ไม่มีนิดแต่ก็มีปัญญาบางคนก็มีทานบารณีเหมือนกับพระอะไรนะที่ไปไหนก็มีคนทําบุ ญ, ญยอะๆไปหมดพระศิวลีพระศิวลีเนี่ยนี่มันเรื่องวาสนาของแต่ละคนที่อดีตทำมาไม่เหมือนกันงั้นแต่ของบุญนี้ไม่ไม่ไม่สําคัญ สิ่งที่เราต้องการก็คือเนี่สติสมาธิปัญญาหมายความว่าพระอรหันต์แต่ละองค์พลังจิตก็ไม่เท่ากันแบบสติเท่าแต่สติเท่ากันใช่ไหมครับคือพลังพลังจิตที่ฆ่ากิเลนี้เท่ากันแต่พลังจิตที่จะไปใช้ทางด้านอื่นไม่เท่ากันพระโมคคัลลานิดเยอะพระสารีบุตรไม่มีนิดเลยแต่มีปัญญาเยอะนะพระอนุนี่มีความจําดีเป็นพระหูสูตรเี่ย แล้วอตะเจ้าไปแสดงธรรมกี่ครั้งจาได้หมดเลยเอามาจดเอามาจําได้หมดเลยอันนี้มันเป็นเรื่องของความสามารถพิเศษของแต่ละคนะที่ไม่จําเป็นต่อการที่จะต้องเอามาใช้ในการกำจัด ก, กิเลสกำจัดกิเลสอ่านของหลวงปู่มัน่นท่านจะบอกปฏิลมคือคิดวนไปกลับไปกลับมาอย่างนี้นเรื่อยใช่ไหมเขาไปละเอาทำข้อนึ่งนะคืออันนู่นลมก็ให้เช่นเรา าพิจารณาผมขนเล็กฟันก็เรียกว่า น, นุล่ลมนะพอเราพิจารณาถอยหลังก็เรียกว่าปฏิโลมทวนลมเลอ่ะลมมนี่คือขนไงอันุลมก็คือตามขนปฏิโลมก็คือย้อนขนอ่าแล้วนะมีอะไรไหมอ๋อไม่มีเขาก็มาแบบมาฟังเพื่อไปกำลังใจในการปฏิบัตินีจริงขึ้นไปครับเพราะไม่งันมันจะท่ออ่าฟังต่อไปน ะ, ะ, ะคุณวันวันเค ประวันเคเชิญ ไ, ได้ยินไหมอ่มาเปิดไมค์ก่อนอ่นนานมิไมโครโฟนก่อนอ่าโอเคอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านนะคะสัตหีบค่ะอ่าสัตหีบเองนะนค่ะวันนี้มีชาวสัตหีบสองคนค่ะคารดารู้จักกันหรือเปล่าไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักนะอะมีอะไรไหมมีค่ะอยากจะถามพระอาจารย์ค่ะ เวลานั่งสมาธิเรารู้สึกหนักๆอะค่ะแต่ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะไม่ได้เห็นอะไรอ่ามันเป็นอาการของจิตอะอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมหรืออยู่กับพุทโธไปค่ะบางคนก็เบาลอยรู้สึกตัวลอยบางคนก็รู้สึกหนักบางคนก็รู้สึกพองแต่ละคนมันมีอาการไม่เหมือนกันเน้ะไม่ต้องไปสนใจมันเป็นอาการของจิตปรุงแต่งหลอกเราเลยค่ะ แล้ววันหนึ่งควรควรจะนั่งประมาณกี่นาทีครับเ อ, อ่อทั้งวันเลยช่ถ้านั่งได้ของดีมาถามใช่ไหมเหมือนถ้าเขาให้เราเข้าไปในธนาคารแล้วหยิบเงนินนี่เราจะเอากี่นาทีดีล่ะ <c oughs> นะ <c oughs> ขอทั้งวันเลยในชะ่ไหคนไม่ถ้าไม่หมดก็ไม่ไม่หยุดล <c oughs> นะคับธรรมะก็อย่างนี้นะธรรมะมีคุณค่ายิ่งก ว, กว่าเงินในธนาคารเนี่ย อย่ามาถามว่าวันเราเอาเท่าไหร่ดีก็เอามันให้หมดเลยสามารถมีกี่กอ้อนกี่กองเอามาให้หมดเลยะนะถ้าทำได้ดีทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเนี่ยก็เท่านี้ค่ะโอเคคุณค่ะคุณสวรรค์ทองรายคำอยู่ที่ไหนนภาสวรรค์เหรอชื่อสวรรค์พูดได้กาลสิน มีอะไรจะถามไหเข้ามาร่วมรับฟังด้วยแล้วก็เข้ามากราพระอาจารย์ครับไม่มีอะไรสงสัยครับอ่าเดี๋ยวฟังไปด้วยก่อนนะครับผมเรียนเชิญท่านอื่นครับอ่ามุมส้ายที่ต่อเลยมุมซ้ายที่กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะแร้ววันนี้เข้าค่ะเข้ามาเข้ามาร่วมฟังค่ะส่วนรายงานคํา ความก้าวหน้าก็ไม่ไม่ค่อยก้าวหน้าค่ะก็ยังย่ำย่ำอยู่ที่เดิมทางด้านสมาธิมีแล้วก็ควาทางด้านความขี้เกียจเยอะปะขี้เกียจมากค่ะหมืนเด้อหย่อนไปค่อนข้างเยอะเหมือนแบบพอสมาธิไม่ดีแล้วก็มีข้ออ้างเหมือนแบบเหมือนมันมันจะชอบนอนอะไรเนี้ยค่ะมีช่วงหนึ่งขยันช่วงหลังพอพอขี้เกียจตัวขี้เกียจมันก็จะเกาะ ค่อนข้างเยอะแต่ว่าทางด้านด้านจิตใจหมายถึงว่าด้านโมโหด้านโกรธไม่ค่อยมีนะคะออไม่ค่อยอาฆาต<อ>ใครแต่ว่าด้านสมาธิดูขี้เกียจเยอะเลยค่ะออต้องตั้งต้อ ง, ต, องต้องกำหนดตารางแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องทำตามตารางเหมือนเป็นอาจารย์นี้ก็มีตารางสอนตารางเรียนนี่ใช่ค่ ะ, ะปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันต้องมีตารางออไม่มีแล้วมันชอบทะเลทรา ใช่ค่ะเด pues <Mm nah ี๋ยวจะลองทำตารังอีกครั้งหนึ่งค่ะได้ค่ะคุณคารุดามีคุถามไุมการนวัตกรรมค่ะกานวัตการเจ้าค่ะอ่าเชิญไม่มีอะไรค่าวนี้อ่าไม่มีนะจะ่ะมารับงไปคุณแก้วต่อเลยคุณแก้วอยู่ที่ไหนคุณแก้ว กลราบจากบูชาพระาจาอ๋อแก้วอยู่ที่อยู่เชียงใหม่เลยตอนนี้ก็อยู่ตอนนี้ตอนนี้หนูมาขึ้นเขานะคะพระอาจารย์อยู่ที่จังหวัดชายภูมิอยู่ที่เขาเทพสถิตค่ะ <มา S 2> หนูมาลองมาคนเดียวด้อยน้ํำนอนด้วยขวานมาด้วยา ม, ามาคนเดียวค่ะคือว่าบนเขานี้นะคะพระอาจารย์เออเป็นหนูมาลองปฏิบัติดูว่าไม่มีน้ําไม่มีไฟ นั้นที่เปิดไฟอยู่ตอนนี้คือใช้ไฟแบบกดๆนะคะพระอาจารย์แบบช้าร์ะคะ่ uh, <yeah. S 2> ะอาหารก็คือทุกอย่างใช้เตาใช้ทุกอย่างหนูก็เลยมาลองสัมผัสชิลล์แบบนึงแล้วก็หนูมาภาวนานะคะพระอาจารย์ <Okay. S 2> หนูถือศีลแปดแล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะขึ้นมาเขานะ่ะหนูไปวัดถ้ำพวงมาเจ้าค่ะพระอาจารย์ไปสิบวัน yeah. ดีไหยดีมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ <Yeah. S 2> ดีมากมา yeah. yeah. อนนี้มีเวลาว่างก็ไปปฏิบัติธรรมใช่เจ้าค่ะหนูก็คิดว่าถ้าตอนนี้หนูมีเวลาหนูก็จะไปปฏิบัติธรรมตลอดเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์คะอ่าดีแล้วน้องขวัญอยู่ที่ไหนเลยขวัญขวัญช่วงนี้เออตอนนี้ขวัญทํางานนะคะอาจารย์ถึงสุขแต่ว่าขวัญเขาบอกว่ามีบันหยกยาวนะคะพระอาจารย์แล้วก็จะตามมาค่ะอาจจะไปเจอกันที่วัดเช่นพวงเพราะว่าหลังจากถ้าเกิดหนูลงจากเขาเนี่ยหนูก็จะไป ว่าทำพวงต่อพระอาจารย์เจ้าขาที่เขาเนี้ยนะเจ้าคะแต่ละวันที่หนูมาอยู่เนี่ยวันนี้เป็นวันที่สามแล้วแล้วก็หนูเดินขึ้นเขาลงเขานะคะพระอาจารย์สองกิโลเมตรเจ้าค่ะเดินทำไมลงจากเขามากินข้าวหรือไงลงจากเขาไปเพื่อนหนึ่งหนูอยากจะอลองฝึกขันติดูะค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเขาเนี่ยนะคะเป็นทั้ง มีช่วงป่าชื้นมีช่วงมีช่วงที่โล่งเป็นไล่มันแล้วก็มีช่วงที่เป็นเ่ปงโปร่งๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะพระอาจารย์แล้วก็พอลงไปบนข้างล่างเขาอะ่ะเผอิญว่าจะมีคุณแม่ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะใจดีทําน้ําพริกกะปิให้งงอ่ะคะ่ะแล้วหนูก็ลงไปเอาน้ําพริกขึ้นมาทําอาหารทานกันเองนะคะพระอาจารย์บนเขาเป็นสํานหักส่งแล้วก็เป็นอะไรที่นี่คือจะเป็นที่คือว่าที่เนี่ย มีแม่ขาวอยู่คนเดียวค่ะพระอาจารย์ทั้งเขาเลยค่ะแล้วก็หนูวะก็มาขอมาอยู่กับพี่เขามาลองมาลองดูนะคะแล้วก็พี่เขาว่าคือรู้จักเป็นกระยาณนี้กับขวานนะคะ่ะแล้วหนูก็เลยขออนุ ญ, ญาตพี่เขามาฝึกด้วยมาฝึกภาวนาด้วยค่ะอเอแล้วที่ลงมาข้างล่างเพื่อมาหาอาหารเนี่ยงไงแลยวข้างบนไม่มีอาหารหรือเปล่าม่ม ที่บนเขาเวลามีอาหารกินไม่ไม่ต้องลงมาข้างล่าไม่ได้ยินเนอ้องเสียงได้ยินไหมแ้่ทัญญาณไม่ดีนะะไม่ไม่ได้ยินนะครับโอเคเอล่อยที่คุณเอกปล่อยนะคุณเอกจากเชียงรายกลาวน้พัสการพระจันทร์ครับผมอ่าเป็นยังไงมีอะไรไหม ก็วันนี้มารายงานให้พระอาจารย์ได้รับทราบที่ปฏิบัติในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับอ่าเป็นยังไงบ้างเออสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นออสําหรับผมมันเป็นสัปดาห์ที่ที่ต่อสู้กับเออวทนาทางกายครับพระอาจารย์ mm. เพราะว่าตอนที่นั่งอ่ะฮะตอนเดินนี่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามีอาการปวดอะไรเกิดขึ้นน่ะมันมันพอได้อยู่ครับ พอตัดได้อยู่มีสติอยู่ครับแต่ไอตอนที่นั่งสมาธิครับพระอาจารย์อออือ่ประมาณชั่วโมงสี่สิบนาทีหึงสี่สิบห้านาทีมันจะเกิดอาการปวดขาครับพระอาจารย์ก็ถ้านั่งไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินถ้านั่งแล<อ>้วมันปวดเราใช้พุโทโธพุโทโธสู้กับมันไปอย่าไปสู้ด้วยความอยากอย่าไปอยากให้มันหายคัะโดยพุโทโธพุโทโธพุโทพโธบริกรรมไป หรือจะสวดวนไปก็ได้เรืออันนี้จังทุกครั้งแหน้าตาก็ได้ท่องไปครับแต่ถ้ามันมันไม่ไหวก็ก็ออกมามาเดินสมามาเดินจงกุมมาเดินจงกรมก่อนอ๋อแล้วกลับเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็กลับเข้าไปใหม่โอ๋อครับสร้างสติใหม่อืมครับผมครับผมครับผมครับขอบพระคุณมากครับพระอาจารย์วันนี้ไม่ไม่มีคําถามอะไรครับมีแต่ตรงติดที่ เวทนายังข้ามไม่ได้อย่างเงี้ยออย่าไปอยากนะอยู่กับมันมันจะหายไม่หายก็เรื่องของมันเราไปสั่งไม่ได้ครับผไม่อยากเราเดี๋ยวเราจะทุกข์นะครับโอเคครับผมครับผมการของผู้คุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงครับผมครับผมคุณก้องคราวนี้คิวของคนแล้วคุณก้องกับนรัตการพระอาจารย์ครับแม่ออกไปแล้วนะครับผม มาอย่างไรมีอะไรไหมอ่าถามพระอาจารย์เรื่องภาวนาครับผมอว่าว่าภาวนานี่เราเราสามารถทําขนาดหนึ่งนี้ได้อ่าหลายๆอย่างพร้อมกันได้ไหมครับก็แล้วแต่ว่าทําอะไรถ้าเราทําสมาธิก็ต้องทําสมาธิจะไปทําปัญญาพร้อมกับสมาธิไม่ได้อือ ม, มันแยกยกันเป็นสองสว่วน อสมาธิทําเพื่อให้จิตสงบปัญญาเป็นการศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจต้องใช้ความคิดมันก็เลยเป็นคนเป็นคนละเรื่องกันทําพร้อมกันไม่ได้เหมือนนอนหลับกับไปทํางานเนี้พักผ่อนหลับนอนกับไปทํางา น, นทํไไาพร้อมกันไม่ได้เวลาพักผ่อนหลับนอนแล้วก็ไม่ทํางานเวลาเราไปทํางานแล้วก็ไม่หลับไม่นอน ผมผมฟังผมฟังคลิปในึ่ของพระอาจารย์ครับผมผมก็ฟังไม่ค่อยแน่ใจว่าที่พระอาจารย์บอกว่าเหมือนกับเป้าหมายเราคือหยุดคือการหยุดความคิดครับแล้วเรากนน็นั่นทำสมาธิเป้าหมายคือห<อ>ยุดความคิก็แล้วก็หยุดได้แล้วนี่ควบคุม ค, ความคิดได้ต่อไปก็ บ, บังคัาให้มันคิดไปในทางปัญญาคิดไปในทางใจรักอนิจจมทุกขงังอนัตตา ทำต้านอยู่มันไม่ได้จังนั้นมันไปทางอนิจังทุกขั ง, งหน้าตา ม, มันก็ไม่ไปไปก็ไปแวบเดียวเดี๋ยวมันก็กลับไปทางเหญ่ครับใช่ถ้าถ้าสมมุติว่าเดินเดินเดินจองคมอยู่เนี้ยครับแล้วเราเราพุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่ว่าไม่กลับมาเนี้ยครับแล้วเราเปลี่ยนเป็นอสอสุภะอะไรอย่างเงี้ยแทนได้ไ้ยครับได้เช่<อ>นต้องกต่สายทีสองไปก็ได้ สมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดายปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะท่องไปก่อนท่องชื่อมันไปก่อนอนุรมและก็ปฏิรมท่องกลับย้อนกลับแต่ว่าครั้งหนึ่งนี้เราเราเลือกทำได้แค่อย่างเดียวใช่ไหมครับอาจารย์ หมายถึงสมาธิหรือปัญญาใช่ไหมอ่าเดินจงกรมเนี้ยครับก็แล้วแต่เราเราจะเดินจงกรมแบบไม่คิดก็ได้ก็ให้ดูลมดูดูเท้าไปดูท้อพุโทโธไปแต่ถ้าไม่อยู่ครับไม่อยู่ก็ต้องพยายามทําไปเรื่อยๆอแสดงว่าเรายังมีกําลังน้อยอยู่ก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆก่อน หรสวดมนต์ไปก็ได้ถ้าพุโทโธไม่อยู่ mm. ก็ใช้การสวดมนต์แทนไปก่อน mm. สวดลิลิโสได้ไหได้ครับลองเดินสวดมนต์ไปสวดหลายรอบสวดสักชั่วโมงอย่างเงี้ยเดินไปชั่วโมงสวดไปชั่วโม ง, โมง mm. แล้วทีนี้ก็เรามาดูพุโทโธพุโทโธหรือ ด, ด, ดูดูว่าใจาคิดอะไรเปล่าถ้าไม่คิดก็ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้หรือมานั่งดูลมหายใจต่อก็ได้ แสดงว่าเรามีสติตมากนะถึงหยุดความคิดได้แต่ว่าถ้าถ้าอาสุภานี่เราเราทำตอนเดินจงกรมไม่ได้ใช่ไหมครั บ, บอาจารย์ได้ก็ยังไงบอกให้ท่องชื่อมันไปก่อนอ๋อท่องแล้วก็เดินไปอเงี้ยครับได้เ้าจะเดิน<อ>ไปก็<อ>ท่องชื่ออาการสาิบสองไปเหมือนสวดมนนะ่ะอย่างเงยท่านที่จะไปสวดอิติปิโสก็สวดอาการสามสิบสองสวดภาษาบาลีก็ได้ก็มีทั้งบาลีไทยบทสวด อาการสายที่สองปีศาคือผมนักขอโลมาคือขนนะคะคือเล่นดันตาคือฟัน จ, จัดโจ๊กคนยังเลยกระเทาไปได้ครับเพราะฉะนั้นผมฟังผมฟังจากสูมที่อ า, าจารย์ตอบคาถามครับเพราะว่าผมฟังผมฟังไม่ทันที่ว่าอเหมือนเขาถามว่าจะใช้สมาธิหรือใช้ปัญญาตอนไหนครั บ, รบแล้วที่แล้วแล้วพระอาจารย์บอกว่าเหมือนกับ ปัญญาถ้าเราใช้เหมือนผิดผิดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วมันมันจะหลงทางได้เงี้ยครับก็ต้องต้องต้องใช้สมาธิก่อนเนี่ยต้องสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปใช้ปัญญาเพราะสมาธิจะควบคุมจิตให้ไปในทางปัญญาได้ถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยมันก็ไปทางกิเลสไปทางความหลงเราเราเราจะพอทราบไหมครับว่าตอนไหนเราหลงทางหรือว่าตอนไหนเรามีสมาธิอยู่ครับ เราก็นี่ก็ดูตัวเองเถอะเรากําลังทําอะไรอยู่ออครับเรากินข้าวอิ่มเ้ารู้เปล่าอิ่มหรือเปล่าเราปวดท้องเรารู้ว่าปวดท้องห ร, รือเปล่าก็เหมือนกับจิตเราไปสง บ, บรู้ไม่สงบก็รู้หรือเปล่าจิตฟุ้งซ่านนี่ก็แสดงว่าไม่สง บ, บจิตคิดปุงแต่อยากได้นู่นได้นี่ก็ไปทางกิเลสแล้วทางปัญญาพิจารณาเพื่อให้ตัดความอยากทั้งหมดครับผม โอเคครับผมครับผมครับครับต่อไปคุณซีบีซีศูนห้าหนึ่งเชิญคุณซีบีซีศูนย์ห้าหนึ่งมีอะไรจะถามไหมอยู่ที่ไหนกดกดปุ่มอันมิวได้เลยครับอเชิญอยู่ที่ไหนมาจากที่ไหน อ, อยู่ที่สากแก้ ว, รกวครับอาจารย์สากแก้วครับสวัสดี เพิ่งมาติดตามพระอาจารย์ในเฟซบุ๊กครับเป็นครูสอนอยู่ที่สาแก้วครับสอนชั้นไหนสอนชั้นประถมถึงมัธยมครับพระอาจารย์เอ่ยวิชาอะไรเอวิชาคอมพิวเตอร์ครับคอมพิวเตอร์อตอนนี้สอนตั้งแต่ชั้นไหนนะออสอนตั้งแต่ชั้นอปอป .4 ถึงม .3 ครับพระอาจารย์ป .4 นะออสอนอะไรให้รู้จักวิธีใช้เครื่องคอมเลยครับ วันนี้อยากอขอคำแนะนำเกี่ยวกับธรรมะนะครับพระอาจารย์ครับช่วงคือช่วงนี้บางทีก็คือเหมือนจะอารมณ์โมโหขึ้นง่ายกับเวลาที่สอนลูกศิษย์นะครับ เ, เวลารู้สึ์ดือ้อเวลารู้สึกไม่สามารถทําตามสิ่งที่ตนเองสอนก็จะมีอารมณ์เกิดขึ้นง่ายแล้วก็โมโหง่ายอะไรนี้ครับพระอาจารย์ก็ต้องทำความเข้าใจว่า ลูกศิษย์ก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราจะไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้มีหน้าที่สอนก็สอนไปเขาจะฟังไม่ฟังก็จะดือ้อหรือไม่ดือ้อก็เรื่องของเขาอย่าไปอยากให้เขาต้องฟังเราต้องเชื่อเราต้องเคารพเราเขาไม่เคารพไม่เชื่อร็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่สอนเขาไปก็สอนไปนะอปะอย่าไปอยาก อยากก็ทำให้เราโกรธง่ายเวลาเขาไม่ทำตามอยากความอยากของเราอ่าใจไหมครับโอเคมีอะไรไหมอ่าไม่มีเข้าไปจังโอเคเห็นไปท่านต่อไปนะคุณชลินทร์จากแมริแลนกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะเป็นยังไงบ้างคนจ<ช>ิปยังไม่มานะจิบ เห็นแต่เขาเห็นเข้ามาเขียนคอมเมนต์ค่ะพระจารย์คอมเมนต์นะไม่ว่าคือคือโยมช่วงนี้ยมไม่ค่อยได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วๆไปนะคะเพราะว่ายมยังต้องทํางานอยู่ที่บ้านอในแต่ละวันยมก็จะไม่ค่อยได้เจอกับผู้คนหรือว่าได้เจอคือโดยตรงอ่ะค่ะแต่ก็ดี ค่ะโยมก็เลยมีเวลาปฏิบัติแต่ว่ามีเพิ่มเหมืนอนค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะพระอาจารย์เท่านี้เวลาที่โยมปฏิบัติเนี่ยคือพอสมมติว่านั่งสมาธิปุ๊บมันก็มันก็จะลงไปเร็วมากแล้วมันก็จะเริ่มคือความคิดมันหนืดใช่ไหมค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็เห็นเห็นตัวกิเลสเห็นตัวอะไรที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะพระอาจารย์แล้วเมื่อ เมื่อโยมต้องมามีปฏิสัมพันธ์กับคนไม่ว่าจะเป็นที่ทํางานเพื่อนหรือแม้แต่รูปตัวเองโยมก็จะรู้สึกเหนื่อยหน่ายค่ะพระอาจารย์คือรู้สึกว่าเราเห็นกิเลส ข, ของเขาอะค่ะพระอาจารย์เห็นแล้วบางทีเนี่ยบางทีนี่เหมือนกับว่าอย่างอย่างลูกของโยมที่เขาบางทีเขาก็เป็นวัยรุ่นแล้วเขาอยากได้นู่นได้นี่ ซึ่งในฐานะของแม่เราก็ยังรู้สึกว่ามันไม่สมควรความคิดบางอย่างเขายังไม่ถูกต้องแล้วโ<อ>ยมก็จะสอนเนข้าไปค่ะพระอาจารย์ยมยมก็สอนนะคะแต่คือด้วยความที่วัยรุ่นก็อาจจะอารมณ์ไม่ค่อยสเตเบิลเท่าไหร่แต่ยมก็รู้สึกคือมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกเหนื่อยหน่ายกับกับสิ่งที่เราไปพบเห็นนะคะพระอาจารย์น่นแหละมันโลกมันก็เป็นอย่างนี้แนละ้ว เรายิ่งได้เจอธรรมเท่าไหร่แล้วมันยิ่งจะเห็นความน่าเบือนายของโลกมากขึ้นไปเรื่อยๆเพราะ<ฆ>มันไม่มีอะไรที่เราอยากจะได้แต่ละอย่างมันเป็นเรื่องของบิเลตเท่านั้นได้ก่ะพระอาจารย์แล้วยมก็เหมือนกับตัวเองก็รู้สึกว่าอยากจะปฏิบัติมากขึ้นแต่ยมก็ต้องทํางานไม่ทําก็ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นไรายได้หลักของครอบครัวแล้วเราก็ยังต้องดูแลลูกอีกก็ทําทไปตามที่ยังต้องทําอยู่ เมื่อต้องทำก็อย่าไปน้าลาอาใจกับหน้าที่ของเราเทว่ามันเป็นหน้าที่ของเราก็ทําไปค่ะพระอาจารย์ยงก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ก้าวหน้าเท่าที่ควรเพราะว่าเราทําได้เท่านี้ก็ต้องหนีแบบพระพุทธเจ้าอนี้ออกจากวังไปนถ้าอยากจะทำได้เต็มที่ค่ะพระอาจารย์ก็ช่วงนี้ยมก็เลยเหมือนกับว่าเราต้องเพิ่มความเพียรเพิ่มความเพียรแต่ในเวลาปัจจุบันมันมีอยู่แค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเราก็ต้องเอาไปทําได้ อยากทำอะไรเกินกำลังเกินเกินเหตุเกินผลมันก็จะทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์ไปบ้างนี่รับรถอะขับรอยู่ใต้ทางดวนอะขึ้นทางเดวนมันต่างกันไห<ม>ขึ้นทางดวนนี่มันเร็วไม่มีอะไรมากีดขวางการจราจรแต่ถ้าอยู่ข้างล่างทางดวนนี่เดี๋ยวก็เสียยากไฟไนดะ้เดี๋ยวรถติดอะไรต่างๆตอนนี้ชีวิตเรายังเป็นชีวิตแบบใต้ทางดวนอยู่ ถ้าไปดวดเป็นพาพเป็นชีเนี่ยแต่งนี um ้เรียกว่าข so ึ้นทางด่วนไม่อยู่ก็ขายแล้วก็ยมก็ได้แด่คิดว่าก็คงต้องรอเวลาให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้ให้นั่นแหละก็ยังหาทางขึ้นทางด่วนไม่เจอไงใช่ค่ะเพราะจันมีทางชี้แนะไหมคะให้เขาทางด่วนไวๆอ่ะ ก็มีแต่แตถ้ามีดวงตายเห็นทมว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ต้องพัดพากตายจากกันถ้าเห็นอย่างนี้มันก็ไปได้เลยเนี่ยน่มันพิจารณาอาการเรื่องของการแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆเนี่ยที่พวกเจ้าเจ้าไปได้ก็เพราะท่านเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายาไปร่างกายของพวกเราทุกคนก็ต้องแก่เจ็บตายกันไปอยู่ไปได้อะไรก็ได้กินได้อยู่ได้เฮฮาไปวันๆอย่างนั้นเอง ไม่อะไรมากไปกว่านั้นใช่ค่ะเราตายไปวันนี้เขาก็อยู่ก็ได้อืมเขาก็อยู่ได้ค่ะอาจาั้นที่เราไปไม่ได้ไม่ใช่เขาหรอกเรามากกว่าใจเรายังหัวงเขายังตัดเขาไม่ได้เรายังยึดอยู่ใช่ไหมคะเราตัดเขาเองไม่ได้แต่สมมติเราตายไปวันนี้เขาก็อยู่ก็ต่อไปได้ใช่ไหมใช่ค่ะเห็นเ้อคิดแบบนี้คิดว่าเราสมมุติเราตายไปแล้ววันนี้ แล้วเขาก็อยู่ของเขาต่อไปนี่วมีดีก็อาจจะดีใจก็ได้ไม่ต้องเป็นคนมาคอยมาคอยว่าคอยบอกเขาค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะโยมก็รู้สึกตว่าต้องปฏิบั ต, ติต่อไปแล้วก็เมื่อวันไหนที่มันมาถึงเวลาของโยมมาถึงก็คงจะทำได้ดีมากกว่า น, นี้ก้าวหน้ากว่นน า, านี้ครับพระอาจารย์มันไม่มีเวลามาหรอกเราต้องทำเวลานั้มันเกิดในการนึกถึงคว<ม>ามแกเ่เจ็บตายอยู่เรื่อยในการท้า่างกัน นึกบ่อยๆ น, นึกบ่อยๆเห็นเขาว่านึกถึงตอนที่เขากแกเ่เจ็บตายเห็นเราก็เราต้องแกเ่เจ็บตายนึกบ่อยๆนี่ไม่ดีบ่อยเดี๋ยวเวลาเราน้อยแล้วเนี่ยจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยังจะมาห่วงอะไรยังมาห่วงอะไรอีกจริงค่ะอาจารย์อะไ ร, ระ น, นั่งนั่งคิดเลยถ้าเกิดเราตายในวันนี้เขาเขาอยู่ของข้าได้ไหมเขาก็อยู่ข้าได้ก็ยังแก่เจ็บตายอยู่เนีเหมือนเดิมอยู่ไม่ได้ก็มาตายต้องมีท่านั้น เราอยากจะไปทางธรรมต้องคิดอย่างนี้ค่ะแล้วก็ต้องปฏิบัติแล้วก็ต้องปฏิบัติให้จิตมีพลังด้วยต้องมีสมาธิเยอะๆมันถึงจะกล้าไปเพราะถ้าไมนมีสมาธิมันไม่รู้จะไปทําอะไรค่ะดีแต่ถ้ามีสมาธิเอารู้แล้วเราไปก็ไปทําใจให้สงบเีงค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์ยินดีจะนําไปปฏิบัตินะคะพระอาจารย์จะ ตั้งใจอะค่ะค่ะพยายามนึกถึงเทวทูตสีนะคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็นักบวชเนี่ยนี่แหะเทวทูตที่ส่งให้พวกส่งสารมาเชิญให้พระพุทธเจ้าไปบวชนะเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะถ้าไม่มีเทวทูตเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ยังอาจจะหลงละไาหลง ล, ลังเลงอยู่กับความสุขในวังต่อไปจริงค่ะพระอาจารย์ การภาวนาหมันจะพิมน์หมัวิจารณาอยู่เรื่อยๆนะค่ะพระอาจารย์กลับขอบพระคุณนะคะพระอาจารย์นักศท่านต่อไป iPad mini 5ของคุณทวิสาคุณทวิสาไม่ทรา่าชื่อถูกหอเป่าถูกค่ะพระอาจารย์กลับนักศการพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนค่ะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระอาจารย์สวิเซอร์แลนด์ทางไหนชื่อเมืองอะไรใกล้เมืองอะไรชื่อ ชืกรีซค่ะชื่อยู่ที่กรีซค่ะเคยเข้ามาแล้วค่ะผ้าจานเมืองกรีซเหรอคะบริกรีซค่ะอยู่อยู่แถวไหนอยู่ใกล้เมืองใหญ่ะอะไอใกล้เมืองใหญ่ก็คือใกล้เซอร์มอร์ใกล้ซีออนแถวแถวใกล้กลๆทางชายแดนอิตาลีค่ะผ้าจานทางใต้ในะค่ไหมทางเบอร์ใต้ของเบอรลงไปอย่างเงี้ยใช่ค่ะผ้าจา์ใช่ค่ะไปทางอินเทอร์ลกันล้ไหนนั้นหป่ ค่ะใต้อินเทอร์แลกเก้ลงมาค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้ค่ะวันนี้ก็ได้คำที่พระอาจารย์สั่งสอนนะคะบอกให้ปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้อดทนให้สู้กับความอยากของตัวเองก็พยายามทำอยู่ค่ ะ, ะพยายามทำเรื่อยๆค่ะ<า>แล้วที่นี้วันนี้มีคำถามค่ะพระอาจารย์ว่า เอการที่เรานึกแล้วเราทําแบบว่าเราไม่สามารถช่วยคนในครอบครัวเราได้แต่ถ้าเกิดเราอ่าสลัดทรพัพย์เพื่อจะซัพพอร์ตให้แบบญาติเราน้องเราหรืออะไรนี้ให้ให้ให้เขาอได้ทรัพย์สินตรงนี้เพื่อไปเรียนเพิ่มขึ้นแล้วก็หาความรู้ของเขาเพื่อเพื่อดํารงชีวิตเขาในต่อไปอันนี้เรา เป็นการที่แบบยังมีความอยากอยู่หรือเปล่าคะอ๋อถ้าเขาไม่มีใครช่วยแล้วเราช่วยได้เขาไม่เป็นไม่ใช่เป็นความอยากเป็นเหตุผลแล้วก็เป็นการให้วิทยาทานนะค่ะไม่ไม่ใช่เป็นความอยากก็อยากแบบนี้ก็ดีไม่เป็นไรอยากทำบุญอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี้ไม่เป็นโทษไม่เป็นทุกข์ถ้าอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยนี่ อยากสวยอยากงามเนี่ยมันจะเป็นทุกเวลาไม่ได้เป็น ค, ค่ะแล้วมีคำถามหนึ่งค่ะคือตอนนี้ก็ยังอยู่ใต้ทางถว่นเหมือนที่อาจารย์บอกอะคะอ่ะ ค, คือคือเรายังต้องหาทรั์อยู่แต่ว่าเราก็คือพยายามหาอาชีพที่แบบว่าไม่ให้เราแบบว่าเสียเวลา เกี่ยวกับการทํางานมากเกินไปโดยที่การลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างตลาดหลักทรัพย์อะไรเงี้ยเพื่ออนาคโข้างหน้าแต่เราไม่ไม่เข้าไปดูเยอะๆคือเราวิเคราะห์แล้วแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้เพื่อเพื่อเก็บดอกผลในอนาคตข้างหน้าที่เราไม่มีรายได้อะไรเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์อันนี้ยังยังพอทําได้ไหมครับ ท, ทได้ทําได้ในการดาูแลทรัพเ์สินของเราให้ให้มันงอกงามไม่ให้มันหดหาย อย่างนี้ทําได<ฆ>นะ้เป็นธุรกิจไงถือว่าเป็นธุรกิจเป็นการงานในเมื่อเรายังต้องอาศัยเงินทองอยู่เราก็ต้องรู้จักหาเงินหาทองรั<ม>กษาเงินรักษาทองไว้เพื่อเลี้ยงดูเราไม่ให้เดือดร้อนค่ะแ ต, แต่ไม่ได้หาเพื่อให้ร่ําให้รวยหรือเอามาใช้สื่อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆวันนะั้นค่ะค่ะเราแต่ว่าบางครั้งที่เราเราเร า, เราทําลงทุนเรื่องนี้บางทีมันใช้ความคิดแล้วก็ ในการเรียนรู้เพื่อเพื่อหาความรู้มากขึ้นมันทําให้เราคิดเยอะแล้วก็แบบสมองบางครั้งมันจะแบบว่าคิดมากนะคะเวลาทําสมาธิอะไรบางทีบางทีทําไปมันก็ยังแบบแวบแวบบ่อยๆครั้งที่จะมาคิดเรื่องเรื่องที่มันติดค้างอยู่อะค่ะพระอาจารย์แบบนี้มันรบกวนความคิดเราก็เลยว่ามันเอ๊ะมันมันมันใช่ทางหรือเปล่าอะค่ะก็ถ้ามันยังจําเป็นต้องทําก็ต้องทําถ้าไม่ทํายังไม่มีอะไรกินนะท่น เพียงแต่ว่า <c oughs> พยายามภูมิใจว่าแยากเวลาถึงเวลาทําสมาธิก็ตอนนี้หยุดคิดเรื่องงานไปชั่วคาบก่อนค <c oughs> แ บ, บ่งเวลาให้ถูกแลอยากถึงเวลา <c oughs> ก็อยากไปคิดถึงเรื่องงานเรื่องการไม่มาคิดถึงเรื่องวิธีทําจิตให้สงบค่ะ <c oughs> ต้องรู้จักแ บ, บ่งเวลามเหมือนเวลาทํางานเราก็ทํางานเวลาเรื่องงานเราก็อย่าไปสนใจอย่าลืมมันไปซะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ต้องใช้ฝึกสติต้องใช้สติเวลามันจะไปคิดกระท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปสู้กับมันไปค่ะแล้วมีพูทโธพุทโธจะมันก็หยุดคิดถึงเรื่องงานเรื่องการได้ค่ะค่ะมีเท่านี้ค่ะวันนี้ค่ะเพิ่งเข้ามาข้างแรกเพิ่งเข้ามาข้างแรกเข้ามาสองถึงสามครั้งแต่ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดกล้องไงไม่เห็นหน้าไม่เคย ใช่ค่ะพระอาจารย์ไม่ได้เปิดกล้องนะคะแล้วก็ฟังผ่านเ c e b o ๊ k บ้างบางครั้งเวลาติดขัดอะไรอีก็ก็ผ่านทางเ c e b o ๊ k ไลฟ์ของพระอาจารย์แทนนะคะแทนการเข้าซูมค่ะที่เมืองที่อยู่นี่มีเพื่อนคนไทยเยอะไหมมีมีคนไทยเยอะอยู่ค่ะแต่แต่ลูกไม่ค่อยได้ได้ติดต่อกับใครมากนะคะพ่ออาจารย์อาานพังส่วนใหญ่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์ดี ไม่ไม่ยุ่งมันดีที่สุดยุ่งแล้วก็เร็ว่ากใจ่ค่ะพระอาจารย์แล้วมี <c oughs> วัดไปไหมมีวัดไปไหมที่ที่อยู่นี้มีค่ะส่วนมากลูกจะไปวัดธรรมปาราก ข, ของสํานักสงฆ์ของหลวงปู่ชานะคะที่คันเดอร์สเตดใกล้ๆเมืองที่ลูกอยู่อะคะ่ะเอมีท่านอยู่ที่โลกอะอ่ า, เ, อาเป็นจะเป็นพระฝรั่งอะคะ่ะที่ที่บวชที่นั่นแล้วก็มามาสำมาพาอยู่ที่นั่นปีนี้ ไม่แน่ใจว่าน่าจะมีสามรูปอะค่ะแต่จะมีประจำอยู่ค่ะไปไปมาค่ะอืมอ่าก็ได้ทำบุญได้ฟังธรรมได้สนทนากับท่านบ้างได้ค่ะส่วนมากท่านก็จะพูดเป็นภาษาเยอรมันกับฝรั่งอ่ากับภาษาอังกฤษนะคะค่ะฝรั่งเศสด้วยค่ะก็พอไปบ้างแต่ก็สนทนากับท่านเล็กน้อยนะคะส่วนมากก็จะไปแบบเข้าไปแบบเข้าปฏิบัติ เ, เวลาเขามีให้ปฏิบัติธรรมหรือว่าสุขสาวาทิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะไปพักที่วัดได้อะค่ะท่านเอเอดียพยายามปฏิบัติไปนะนค่ะค่ะขอขอบคุณค่ะจัดบคุณสาุสาุท่านต่อไปหัวเว G R ห้าสองูนย์หนึ่งเจ็ดที่ใส่หน้ากากเนี้ยอ่านมิได้ไมโครโฟนอยู่ที่ไหนเลยต้องใส่หน้ากากอยู่ที่บ้านเนี้ย ยังไม่ได้เปิดไมโครโฟนเลยต้องอันนี้ก่อนอันนี้ไมโครโฟนอ่อกลักราบน้ำปการค่ะอยู่อำนาจเจริญค่ะอำนาจเจริญค่ะทำไมทำไมต้องใส่หน้ากากด้วยละ่ะพึ่งพึ่งเอ่ออยู่เอ่อเ่อไปเที่ยวงานการชาติมาค่ะอ่าตอนนี้อยู่บ้านนะไม่ใช่เลยค่ะตอนนี้ก็อยู่บ้านนะคะยังยังไม่ได้ถอดนะอ่า จะหนูจะขอโอกาสถามป้าจานค่ะอ่าเชิญค่ะสมมติว่าถ้าเราถือสินแปดแล้วเราจะจะฉันมื้อเดียวคือกินอาหารมื้อเดียวเลยค่ะแล้วแล้วก็พยายามผ่อนลงเรื่อยๆจนกระทั่งว่าถ้าเกิดว่าจะไม่ไม่ไม่ไม่ทานอาหารเลย แล้วก็ยังทำงานหนูหนสอนหนังสือนะคะเป็นคุณครูแล้วก็ยังทำงานปกติอย่างเงี้ยมันมันจะตึงเกินไปไหมไม่หรอไม่หรอกถ้าถ้าเราทำได้ก็ทำไปมไม่ตึงหรเพราะพระเจ้าอดสี่สิบเก้าวันนะถึงจะี้ตึงไปแต่ถ้าเราอดแค้วันสองวันไ ม, ไม่ไม่ไม่ตึงหรือ <c oughs> วันท้าอย่างเดียวใช่ไหมที่ถือต่็ วันนี้วันนี้เป็นวันที่สองแล้วค่ะอ่ถ้าเราไม่หิวเราไม่เดือดร้อนร่างกายไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นไรอ๋อมันดีช่วยลดนน้ําหนักแล้วก็ทำให้ไม่ทำให้ไม่ขี้เกียจทําให้มีสติสตางค์ดีเงียบเงียบน้องเงียบเงียบก่อนป้าจางคะแล้วถ้าเกิดว่า สมมติว่าลูกนูนอถามนอกเรื่องหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเราเราฝันถึงถึงพระรูปใดรูปหนึ่งนี่ก็คือมันมันเป็นจริงหรือเท็จประการใดคะใจเรานึกคิดไปเองอ่ะเวลานอนหลับมันก็ฝันไปเป็นความนึกคิดสงใจความฝัน<ม>เป็นความนึกคิดสงใจบางทีก็จริงบางทีก็ไม่จริงงั้นถ้าเราไม่รู้จริงว่ไม่จริงเราก็ไม่ต้องไปสนใจอืมค่ะ สงสัยแค่นี้ค่ะกับขอบพระคุณค่ะกลับรัการสาธุจาคุณสุเทพเชิญคุณสุเทพอันมิไมโครโฟนโอเคไปที่ไหนกับรัศการพระอารครับ อ, อยู่ที่ไหนอตอนนี้อยู่อำเภอเถินจังหวัดลำปางครับพอดีอผมผมทำงานอ่ จะดูหลายจังหวัดครับตอนนี้ก็ประมาณเก้าจังหวัดก็จะจะวนไปเรื่อยๆครับดูจังหวัดละประมาณห้าวันถึงเจ็ดวันครับอืก็ประมาณสองถึงสามอาทิตย์ก็จะจะกลับบ้านทีครับเอ uh huh. บ้า น, บ, านบ้านก็อยู่ที่ปรทุมวุฒิส่วนก็มีที่ชนบุรีก็มีโรงหนึ่งที่ผมต้องต้องไปดูไปดูโ<ง>รงอะไรโรงพยาบ้านเนี่ย อเป็นโรงไฟฟ้าครับอาจารย์ครับอยู่ตรงหลองอีรุนอยู่ที่บ้านบึงครับอ่าครับอา่าพอดี อ, ด อ, อ๋อผมเป็นซีโอครับซครับก็เลย พ, พ, พอดีเพิ่งเคยเห็นแตาาเ่เฟซบุกพระจารย์แต่นี้พอดีวันนี้เปิดมาเจอโซมก็เลยปกติก็ผมก็ชอบฟังธรรมะหรือว่าอ่านธรรมะอยู่แล้วครับทีนี้ก็เลย พระอาจารย์อยู่ชนบุรีนี่อยู่ตรงอำเภออะไรครับผมอำเภอบางละมุงอ๋อใกล้ๆกล้พยาใกล้ใกล้เลยเหนือบางพัทยากษัตรีอยู่กลางกล้งยังไงถ้าช่วงไหนที่ผมไปบ้านบึงเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะได้เข้าไปกราบนมัสการพระอาจารย์ครับก็ต้องมาวันเสาร์อาทิตย์กับวันพระเพราะว่าวันธรรมดาเราจะไม่ได้รับแขกอ๋อเสาร์อาทิตย์กับวันพระนะครับเออ่วงบ่ายสองโมงถึงสี่โมงจะมีการแสดงครับ อ๋อทีนี้อโซมนี้กําหน ด, วดเวลาไหนวันไหนบ้างครับอาจารย์เดี๋ยวนี้ก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันพุธประมาณสองทุ่มจะเปลี่ยนถ้ามันไปตรงกับวันพระเพราะว่าวันพระเราจะเหนื่อยจากภา<อ>รกิจช่วงวันพระก็อาจจะเลื่อนขึ้นเลือเลื่อนถอยหลังไปวันหนึ่งครั บ, ร บ, รบเร า, า <ผม S 2> จะประกาศนะครับ โครงรนีแต่ไม่ได้ประกาศทางทางในเฟซนะครเพียงแต่ประกาศในในประชุมนี้เวลาเจ้าเลิกก็จะบอกว่าออาทิตย์หน้าอาจจะต้องพบกันวันอังคารหรือวันพฤหัสแทนวันพุธอะไรอ๋อครับผมก็จะได้วางแผนเข้าเข้ามามีโอกาสก็ได้วางแผนเข้าฟังครับแต่ก็ดูย้อนหลังได้เพราะว่ามันก็มีเก็บไว้ในในเฟซอยู่ครับปกติผมไปแต่ละจังหวัดทํางานเสร็จตอนเย็ยนผมก็จะมีก็ <laughs> พอดีมาคนเดียวนะครับก็จะมีเวลาว่างเนี่ยครก่อนนอนผมก็จะสวดมนต์ผมก็จะเอาหนังสื อ, อ่มาเล่มหนึ่งครับใช้เวลาสวดก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าส่วนมากก็ได้สวดเต็มทั้งเล่มบ้างไม่ได้เต็มทั้งเล่มบ้างนะครับแล้วแต่ว่าความอันนี้คือความส่วนตัวว่าขยันแค่ไหนนะครับเออก็เลยดีดีครับพยายามท่องจําให้ได้จะดีกว่าจะได้ไม่ต้องใช้หนังสือว่า<อ>เราจะได้ หลับตาสวดไปแล้วจิตมันจะสงบกว่าครับก็บางบางบทก็ท่องได้แต่บางบวก็ยังต้องต้องอ่านตามสืออยู่ครับเออครับ<ก>ทีนี้นอยา ก, กถามพระอาจารย์ครับถ้าถ้าบางวันที่ที่ผมอยากจะนั่งสมาธิเลยเนี่ยมันได้นั่งได้เลยไม่ต้องสวดก็ได้ได้ใช่ไหมครับพระอาจาร ย, ย์ได้เลยได้เลยอสวด น, นี่สวดเพื่อให้เรานั่งสมาธิได้ ถ้ า, านั่งสมาธิได้โดยไม่ต้องสวดก็ไม่ต้องสวดนั่งไปเลยครับทีนี้ผมก็เคยมีความคิดว่าออ่ถ้าผมนั่งไปนานๆเนี่ยแล้วแล้วเช้ามาผมจะง่วงนอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมก็สงสัยมานานครับพรอาจารย์มันเป็นยังไงครับ อ, อ๋อไม่เกี่ยวกันเหรอแล้วก็เวลานอนมันก็เรื่องของเวลานอนถ้าเราเวลานั่งเราไม่ได้ไปนั่งในเวลานอนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเรานอนพอเพียงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ อครับผมไม่เกี่ยวกันนะการนั่งสมาธินี่ทําใจให้สงบทำให้ใช้มันะมถ้าเตือนถ้าเกิด น, นั่งกนนานแล้วนอนน้อยเนี่ยจะไม่ง่วงใช่ไหมครับพระอาจารย์หร่อยังไงครับก็มันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าถ้าเป็นผ้านี่เกินละสี่ห้าชั่วโมง ก, ก็พอละครับออืนะครับนี่เราปรับได้ถ้าเรารู้สึกว่าเรานอนไม่พอเราก็นอนให้มันพอ ก็ดูไปตามตามความเป็นจริงถ้าเรานั่งสมาธิมากแล้วมันไม่ต้องการนอนมากก็ก็ดีถ้าเราก็นอนเท่าที่มันต้องการนั่นะการฝึกสมาธินันก็เป็นการพักอยู่แล้วในในระดับหนึ่งครับขอบคุณมากครับอาจารย์ไงผมขอฟังทำนนต่อครับขอครับท่านต่อไปคุณจิมจากแมริแลนด์ กลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขอโยมนั่งจันนะคะกับนมัสการค่ะคุณเจริญธรรมทมาแล้วไปแล้วค่ะเมื่อกี้ฟังอยู่เจ้าค่ะได้ฟังเขาก็พูดเรื่องพระอาจารย์กันแนะนําว่าตอนนี้พวกเรายังอยู่ใต้ทางด่วนอยู่โยมก็พยายามก็ให้ก็คิดว่าคงเป็นอย่างนั้นไปอีกสักพักหนึ่งเหมือนกันนะคะ S <S แล้วเมื่อคือนก็ ล, กลองมาพิจารณาแบบที่พระอาจารย์สอนว่าแบบให้ลองอมองมองลมหายใจที่ระหว่างช่วงตรงนี้ใช่ไหมคะ<อ>สังเกตระหว่างอาพองกกดีใช่ใช่เจ้าค่ะแล้วยมก็ลองรมแ ล, แล้วพอเวาลาทำกลายเป็นว่าพุโทโธล้วก็จะแบบตีกันยุ่งไปหมดเลยก็ไม่ต้องพ<ม>ุทโธเลยไม่ต้องพุทโธเลยดูลมอย่างเดียวเลย ดูลมอย่างเดียวแล้วเราไม่ต้องกําหนดให้เราเหายใจเข้าคือให้ไปทําธรรมชาติใช่ไหมคะมทำธรรมชาติลมมันหายใจของมันเองช่วงนี้มันยังไม่มันเหมือนถ้าโยมเพิ่งมาลองเพิ่มพิจารณาตรงนี้มันยังเหมือนยังไม่ค่อยถนัดอะคะ่ะว่าเราจะพิจารณาให้มันธรรมาชาติบางทีเหมือนเราไปกําหนดมันอยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกอย่างเงี้ยคะ่ะแต่พอเราฝึก <ๆ S 1> ไปเรื่อยๆอกําหนดไปมันจะเข้าก็รู้เข้าก็รู้มันจะออกก็รู้ว่าออกค่ะ มันต้องเข้า <บ ưng S 1> ออกสองอย่างนี้มมนเท่านั้นแหะนมไม่มีอะไรไปมากไปกว่านี้ถ้ามันไม่เข้ามันก็ออกมันไม่ออกมันก็เข้ามันไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรกับมันเลยค<า>่ะแต่ถ้าเกิดเราตอนนี้ตอนนี้คุณก็ไม่ได้ตอนนี้คุณก็ไม่ได้ไปยุง่งกับมันไม่ใช่เลยตอนนี้คุยใช่ค่ะตอนนี้ไม่ได้ไปยุง่งบรรยากาแค่เพรานะโยมก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันมีเข้าออกเพราะว่าเราไม่ได้เอาจิตไปแบบจดจ่ออยู่ตรงนั้นถ้าต่ิดอะไรก็ปล่อยมันเข้าออกไปตามเรื่องของมันเพีเราลมาแอบดูมันเท่านั้นเองดูแอบดูว่ามันเข้าหรือออกไปค อันนี้ก็คือการฝึกสมาธิหรือฝึกสติคะถ้าเราดูลมทั้งสตินะมันดูลมมันเรียกอานาปนาสติไนงะอานาปนาสตคิคือใช้ลมเข้าลมออกเป็นที่ตั้งของสติถ้า น, นดูไปอย่างต่อเนื่องไม่เผลอเดี๋ยวจิตก็สงบเป็นสมาธิขึ้นมามสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผลที่ฝึกสติให้เพื่อให้ได้ได้สมาธิค่ะ ค่ะล้มเดี๋ยวโยมจะพยายามค่ะเมื่อวานนี้ก็ลองเดินจมจงกลมด้วยเหมือนกันตอนที่หลังจากที่ขับรถเมื่อวานนี้ขับรถพอเอารถไปซ่อมใช่ไหมคะพอรอรถอยู่โยมก็เลยลองไปเดินจงกลมระหว่างที่รอพอรอไปก็เอ้ยพอเดินไปปุ๊บอาซ้ายขวาซ้ายขวาพอเริ่มตอนแรกเดินเร็วๆแล้วก็ท่องพุโทโธอย่างเดียวมันก็ยังความคิดมันก็วับแวบวัแต่พอเราโยมก็เอ้ยไม่ไหวแลว้ลองอีกแบบหนึ่งดีกว่าลองแบบโอเคขวาพุทซ้ายโธ่ แบบนี้มันก็จะเดินช้าลงแล้วมันก็จะแบบมันได้สติมากกว่าเพราะฉะนั้นโยมควรจะเดินแบบเอาเอาพุทธได้อย่างไรก็ได้ที่ทำให้เราได้สติที่เราได้สติมากกว่ า, าใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวโยมจะไปปฏิบัติมากขึ้นเจ้าค่ะแล้วก็อขอบคุณ<ง>พระอาจารย์ที่แนะนาเรื่องวิดีโอเมื่อวานนะคะเดี๋ยวโยมจะดูกับลูกสาว์อาทิตย์นี้ค่ะได้ลองดูนะ ค่ะ <Okay. S 2> พระอาจารย์รักษาสุขภาพนะคะได้ข่าวว่าโควิดเริ่มมาอีกแล้วที่เมืองไทยอา่าว อ, อยู่ยทาวชายแดนได้ข่าวแลค่ะค่ะโยมก็ขอให้ทุกคนปลอดภาาัยนะคะโมทนาสาธุด้วยนะคะโอเคค่ะ okay. สาธุค่ะคนที่ติดอมอผันอยู่ที่ไหนอันมิวมิครโฟนก่อน โอเคเชิญกลับนมทรการหลวงพ่อครับ uh, อยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดตากครับหลวงพ่อเออ uh. ผมไม่เห็นวีดีโอหลวงพ่อเจอกันนะครับ uh. แต่สักครู่นะครับอ uh. เออขึ้นเข้าครั้งแรกครับหลวงพ่อครับพ uh, อดียังไม่เห็นรูปหลวงพ่อเห็นแต่รูปผง เอน้องคนมากินที่อยู่เมลีย์แล้วเห็นแล้วครับเห็นแล้วกราบสมัชการหลวงพ่อครับอผมครูจอสครับที่ได้ที่อยู่จังหวัดตากครับที่ได้ไปฟังธรรมที่หน้ากุฏิหลวงพ่อที่พาเด็กๆไปนั่งอะครับอ๋อที่ไปเมื่อวันที่สิบเก้าครับครับหลวงพ่อก็เข้ามาดูของหลวงพ่อแล้วก็ติดตามตลอดนะฮะเว้นว่างจากเอช่วงบ่ายเด็กๆเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวขออนญาตได้ครับเด็กๆมาข้างหลังเต็มเลย ครับกับราช ก, การหลวงพ่ออันนี้อยู่ยังเป็่เรายัอยู่นะครับครับอันนี้ก็ศรัทธาแล้วก็ฟังธรรมของหลวงพ่อตลอดเลยไม่ไม่ได้ขาดเลยครับเว้นว่างจากการสอนหนังสือช่วงใหม่ก็จะถ้ามไม่มีสอนก็จะนั่งฟังอ่าเฟซบุ๊กที่ไลฟ์สดเนาะก็ตั้ง ใ, ใจว่าสักครั้งนึงจะจะไปฟังที่กุติให้ได้แล้วก็ได้ไปละนะครับอย่างที่ได้แจ้งหลวงพ่อไปนะครับจริงๆปัญหาธรรมะเนี่ย ผมฟังจากคลิปของหลวงพ่อแล้วผมก็นํามาแก้ไขในชีวิตประจําวันนะครับอยู่เป็นประจําแล้วก็สามารถทําได้ที่เคยบอกหลวงพ่อไว้ว่าหลายปีมันี้ประมาณสิบปีเนี่ยครับหลวงพ่อ mm hmm. ผมผมถือศีลห้ามาแล้วก็เค่งมากแล้วก็คล้ไยๆว่าได้พอมันลึกเข้าลึกเข้ามันเกิดความเบื่อหน่ายครับเกิดความเบื่อหน่ายต่างๆแล้วก็ศึกษาในธรรมะ เห็นความเบื่อหน่ายที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยผมเบื่อผมก็บอกกับแฟนกับลูกว่าวันหนึ่งถ้าพ่อไปบวชเนี่ยได้ไหมนะฮะแต่วันนี้ขอทําหน้าที่อ่าหัวห น, น้าครอบครัวที่ดีก่อนนะฮะถ้าวันหนึ่งผมผมกาว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะบวชครับผมก็ผมบวชแน่นอนยังไงผมก็บวชเป็นเซงที่ดีที่สุดถ้าทําได้แล้วผมเป็นผมตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนออกจากบ้านผมจะกวดน้า ยามไปวัดไปที่ไหนก็ช่างผมจะบอกว่าขอให้ได้กนก้าบวชเข้าสู่ร่มการสวรุ่งค้ในชาตินี้แล้วก็ได้เห็นได้นิพพานในชาตินี้ถ้าผมบวชผมจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ผมตั้งใจไว้ครับหลวงพ่อผมเป็นอย่างเนี้ยมาเป็นสิบกว่าปีละสิบปีและะ้วรัถ้าอยากจะได้บวชจิ ถ, ถ้าอยากจะได้บวชให้เ ล, ล่าเรื่องถึงความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้เลยครับผมผมก็เลรื่องถึงทุกวันทุกวันเนี้ยผมหายใจผมนั่งรถไปทํางานแล้วก็ได้เห็นที่ได้ที่หลวงพ่อให้มาตอนนี้ผมฟังไปถึง บทที่สามร้อยกว่าแหละครับฟังในรถตลอดเลยเสียบว่างตอนนี้ผมคือคือว่าแทบไม่ฟังเพลงไม่ฟังเพลงอะไรเลยฮะอนนว่างก็ฟังแต่ธรรมะหลวงพ่อฟังธรรมะหลวงพ่อนะครับแล้วก็ถ้าอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมหรือเปล่าครับหลวงพ่อก็เริ่มจะเห็นแต่ยังไม่ได้เห็นต้องปฏิบัติถึงจะเห็นแต่เห็นธรรมแต่ยังเป็นธรรมข้างนอกอยู่ต้องเข้าไปเห็นธรรมแท้ที่อยู่ข้างในจากการปฏิบัติ ตอนนี้ต้องอาศัยทําข้างนอกดึงเข้าไปสอนให้รู้ว่าทําข้างในเป็นยงไงแล้วก็จะได้เข้าไปหาเจอครับพยายามระลึกถึงความแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆแล้วมันจะกระตุ้นให้เรารแล้วก็ผมทุกวันเนี่ยพยายามฝึกสอนให้ลูกหลานครับได้ได้รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เขาระลึกและตระนักอยู่ในพระพุทธศาสนาครับผมกลัวว่าสังคมวัเนี้กลัวจะทําให้เขา ไม่มีสิ่งเนี้ยอยู่ในใจเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทุกวันนี้ลูกสาวกับครอบครัวเนี่ยก็เข้ามานับอ่ากราบไหว้พระพุทธศาสนาอย่างเข่งขัดเช่นกันครับหลวงพ่อครับดีดีครับให้ริบพระพุพทธเจ้าทพระสงฆ์เป็นที่เพิ่มนะเป็นสาธารณะครับผมโอเคขอบคุณครับถ้าอย่างไงแล้วถ้ามีโอกาสาผมจะไปกราบนมัส ก, การหลวงพ่ออีกนะครับหลวงพ่อครับก็กราบตงนี้ก็ได้เหมือนกัน ได้กล่าวครับได้กลาวอยู่ทุกวันและลึกถึงหลวงพ่ออยู่ทุกวันนะและลึกถึงจริงๆครับและลึกถึงคําหลักทําคำสั่งสอนครับผมปฏิบัติตามมาได้ทุกทุกอทิตย์นะทุกวันพุธเครับวันนั้นประทับใจมากเลยกว่าจะได้ไปขอแอบอยู่หลังกุฏิให้นานที่สุดจนคนอื่นไปหมดหลวงพ่อยังเรียกให้เข้าไปคุยด้วยแล้วก็ ให้ล็อกเก็ตเด็กๆมาของกับผมกคุณหลวงพ่อมากนะครับประทับใจที่สุดแล้วครับไปรอบนี้อ่าท่านนี้ก่อนนะครับครับหลวงพ่อขอบคุณมากครับขอบพระคุณมากครับหลวงพ่อครับต่อไปคือคุณอ้อมคุณอ้อมจากแมริแลนดใช่หมเปิเปิดมิไมโครโฟนก่อนอนยังไม่อนนีวอ่เจ้าค่ะอาจารยอาจารย์เจ้าค่ะ เป็นยังไงหายหน้าเม่อหลาทิตนี่ยอุสเด์ที่แล้วโยมมาเจ้าค่ะแต่โยมไม่โยมกดผิดอ่าค่ะแล้วทีนี้พอยมกดถูกพ่อจันหยุดแล้วอ่าพ่อจาย์เหนื่อยออโย ม, มา่าเออไม่เป็นไรข่าวหน้ า, าดีกว่าเจ้ะค่ะมีอะไรไหมคราวนี้มีเจ้าค่ะคืออา่าโยมสอนลูกชายสวดมนต์ในเจ้าค่ะแล้วบางครั้งเขาออกเสียงไม่ถูกค่ะ พอเขาใช้ภาษาอังกฤษปกติเขาใช้ภาษาอังกฤษนะคะอทีนี้เขาก็คือโยมสอนภาษาไทยเขาด้วยค่ะคือเขาสามารถอ่านได้แต่สำเนียงของเขามันจะแปลกๆนะคะอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกภาพฝรั่งที่มาบวชในเมืองไทยเขาแบบนี้ทั้งนั้นใช่ไมจู่กันเขาอาจจะเขาอ่านอาจจะหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเป็นตัวอักษรอังกฤษเขาก็เลยไม่มีเสียงสระอสระอัเหมือนเรา เจ้าค่ะโยมก็สอลูกชายไปโยมก็โอ้ลูกชายจะบาปไหมเนาะอะไรเนี่ไม่บาปไม่บาปหรอกไม่เรื่องภาษาโอเคเจ้าค่ะคือโยมก็อ่าแล้วตอนนี้ก็คือโยมมีความกลัวเนี่ยเจ้าค่ะก็คือก็ก็เมื่อก่อนพอนโยมไม่รู้ว่าโยมเป็นใครโยมโยมก็เลยกลัวโยมไม่คิดว่าเป็นร่างกายก็เลยกลัวไปหมด ถ้ยอมรู้ว่ายมไม่ได้เป็นร่างกายก็หายกลัวนะแล้วเราไม่ได้เป็นร่างกายนะเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดผู้มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือรับใช้เราแล้วเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายมันจะเป็นอะไรมันไม่ได้มาทําให้เราเป็นไปกับมันร่างกายแก่เราก็ไม่ได้แก่ไปกับมันมันตายเราก็ไม่ได้ตายไปกับมันเข้าใจไหมเข้เขาใจครับเออ โยมเมื่อวานโยมคิดคล้ายๆกับพระอาจารย์อย่างนี้นะเจ้าค่ะว่าโยมมีร่างกายนี้โยมจะใช้ร่างกายนี้ที่เป็นกายอยาบสร้างแต่ความดีสร้างความดีนะเจ้าคะ่ะ เ, เพราะว่าโยมพยายามคิดเสีย ว, ว่าการการที่โยมกลัวเนี่ยกเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าใจโยมไม่หนักแน่นนะเจ้าคะ่ะพราะนั้นจรก็ต้องทําหนักนั่นนแล้วต้อง เจ้ า, า่ะโยมก็เลยต้องยอมตายมันจะตายให้มันตายเราไม่ได้ตายไม่ต้อไปเสียดายมันใช่เจ้ า, า่ะคือเมื่อก่อนโยมเวลายมนั่งสมาธิโยมโยมนั่งนั่งนิ่งๆในเะจ้ า, า่ะทีนี้โยมก็ไม่กล้าแล้วเพราะว่าโยมเกิดความกลัวส่วนโมนโยมก็ไม่รู้เป็นไงโยมความกลัวของโยมมีมากมากเหลือเกิน แต่ว่าโยมคิดอยู่ในใจว่าในเมื่อโยมสวนมูลก็คือโยมมีก็คือโยมมีห้องพระโยมก็เมื่อก่อนโยมสวนมูลแล้วนั่งสมาธิในตอนนี้โยมมีความกลัวโยมก็เลยว่าเออในเมื่อโยมมีความกลัวโยมก็เลยทําสติในพยายามมีสติในชีวิตประจําวันในเจ้าค่ะก็คือเมื่อโยมทําอะไรโยมก็โยมพยาย พยายามที่จะรู้ว่าโยมทําอะไรโยมล้างถ้วยโยมก็รู้ว่าโยมล้างถ้วยก็คือรู้รู้ตามความเป็นจริงหลุดบ้างนี้บ้างโยมก็เออไม่เป็นไรโยมก็คิดว่าเมื่อโยมมีสติในชีวิตประจําวันนี้จะช่วยให้โยมมีพลังที่จะหายจากความกลัวนี้เจา้าค่ะ อ๋อมันสติแบบนี้มันไม่ไม่โูกต้องต้องต้องสติแบบพุทโธถึงจะมีพลังท่องพุทโธพุทโธไปต่องพุทโธพุทโธไปแล้วมันจะมีพลังทําให้มันอูกใช่ไหมเจ้าคะเพราะว่าถ้าสติที่ว่าเราพยายามก็คือรู้ว่าเรารู้อะไรไม่ได้หรอกรู้แบบนี้มันหยุดหยุดจิตไม่ได้ต้องหยุดจิต ความกลวมันอยู่ที่จิตถ้าหยุดจิตได้มันก็หยุดความกลัวได้ถ้าไปตามรู้ความกลัวมันก็วิ่งไปเรื่อยๆหนีเราไปเรื่อยๆ อ, อ๋อเจ้าค่ะงั้นต้องหยุด<ย>มันโดยพุทโธพุทโธพุทโธเวลากลัวอะไรก็ดับท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวความกลัวมันก็หายไปขอบคุณค่ะอาจารย์โยมีเท่านี้ลนะคะเพราะโยมโยมมีอันเดียวที่โยมที่จ ะ, ะเค ปัญหาคือเรื่องขมงป่วนะคะใชได้าอย่างนี้ น, าานน ะ, ะคุณหมอพีรพาฒเชิญหลวงพ่อครับท่าหลวงพ่อครับท่ารู้นี่มันเป็นอมตะใช่ไหมครับไม่มีวันตายก็มันเป็นหนึ่งในท่าทั้งหกที่เป็นของอมตะเขาเรียกมหาท่านี่สิ่งที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสูญไม่มีวันดำ คือธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ธาตุรู้แล้วก็อาวกาศธาตุอากา ศ, า ศ, าา ก, าศ ก, ก็คือพื้นที่ space ภาษาอังกฤษเพราะธาตุทั้งห้านี้มันต้องมีพื้นที่อยู่ตั้งอยู่แต่บางทีธาตุธาตุที่หกนี่บางทีเราไม่ต้องพูดถึงก็ได้เพราะมันเป็นพูดแต่ธาตุท่าเนี่ยที่เป็นตัวเล่น เรื่องราวต่างๆทั้งหมดนี้อยู่ที่ธาตุดโดยเฉพาะธาตุรู้เนี่ยมันมันเล่นได้ทั้งขณะที่เป็นมนุษย์เป็นเนราชาญและเป็นที่ขณะที่ไม่มีร่างกายมันก็ยังเป็นมันก็ยังมีบทบาทอยู่คือเป็นเป็นวิสังขารที่หลวงพ่อเคยเทศใช่ไหมครับทั้งห้าทั้งหกธาตุอ่าใช่มันไม่ได้เป็นสังขารมันไม่ได้เป็นเครื่องปรุงแต่งพที่หลวงพ่อเคยเทศว่าเอ่อสัพเพ สังขาราอานิจจ่าทุกขาธาตุทั้งห้าเนี่ยไม่ไม่เป็นอานิจจังไม่เป็นทุกขังแต่เป็นอนัตตาก็ก็เป็นเป็นธรรมที่ไม่ได้เป็นสังขารที่ไม่เป็นสังขารมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นอานิจจังมันไม่ได้เป็นมันจะไปว่ามันเป็นอานิจจังไม่ได้เพราะมันมันไม่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันดับ แตร่างกายเนี่ยมันเป็นสังขารมันเป็นการรวมตัวของธาตุสี่กระดินน้ําลมไฟครับแล้วมันก็มีวันเสื่อมมันดับมีวันแยกสลายกลับเืินสู่ธาตุเดิมครับจริงๆเราที่แท้จริงๆเนี่ยมันก็คือธาตุรู้นะหลวงพ่อธาตุรูผู้รู้แ้วเราใช้ชื่อหลายอย่างใช้เรียกว่าเราเป็นจิตใจบ้างเป็นดวงวิญญาณบ้างกายทิพย์บ้างคือธาตุรู้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องโกรธตายหรคือจริงๆเราก็ไม่ตายเพราะถ้ารู้ก็ไม่ตายนะครับหลวงพ่อใช่ไม่ตายตายแต่ร่างกายจริงๆร่างกายมันก็ไม่รู้ว่ามันตายร่างกายมันก็เป็นเหมือนต้นไม้มันไม่มีการรับรู้แต่ถ้ารู้ไปยึดว่าตัวเองเป็นร่างกายแล้วใช่เป็นหลงที่่าเป็นร่างกายก็เลยทุกข์กับร่างกายเวลาร่างกายเป็นอะไร เราต้องคอยมาสมอนบอกวไม่ใช่เราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดไม่ได้ตายไปกับร่างกายธาตรู้ที่ที่เป็นผู้รู้ผู้คิดนี่ก็เป็นธาตรู้นั่นนัลนก็คือตัวธาตรู้ไงในธาตรู้นี่มีมนมีนามะขันอยู่สี่ไมีเวทนาสัญญาสังขานวิญญาณครับนามะขันนี้ก็ไม่มีวันเสื่อมแต่มันมีการเปลี่ยนแปลง เวทนาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสังขารก็คิดเรื่องนี้แล้วก็หยุดไปคิดเรื่องนั้นต่อเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสัญญาความจําจก็เหมือนกัจนจําเรื่องนี้แล้วก็ไปจำเรื่องนั้นวิญญาณนั้นก็รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสชนิดต่างๆที่เข้ามาแล้วก็เกิดดับเกิดดับเข้ามาแล้วก็หายไปแล้วก็เข้ามาใหม่เข้ามาอยู่เรื่อยๆนี่คือความไม่เที่ยงของสังามมาขารสังขารแต่ ไม่เที่ยงแบบลักษณะที่เปลี่ยนแปลว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไม่เที่ยงแบบว่ามันจะล่มสลายหายไปก็คือว่ามันก็ยังมีอยู่แต่วันแปลปรวนเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแล้วค่อยควบคุมบังคับมันไม่ได้เวทนาเราไปสั่งให้มันสุขกเวทนาอย่างเดียวไม่ได้มันเปลี่ยนไปตามคตามตามอะไรตามเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยทําให้มันทุกข์มันก็ทุกข์เหตให้มันสุขมันก็สุข มันก็เป็นเครื่องมือที่ธาตุรู้ใช้เชื่อมกับกับรูปกายนะครับใช่ใช่เราใช้วิญญาณเนี่ยไปเชื่อมติดกับที่ออ่าร่างกายคือตาหูจมูกนิ้นกายเพื่อเราจะได้เสียงรูปเสียงกิ่นรสที่เราติดกันเนี่ยเราติดรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือใจกระสงวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายเมีห้าวิญญาณจักุวิญญาณอ สุตะวิญ ญ, ญาณนี่ยนะคิวหาวิญญาณคิวหาวิญญาณนี่ก็เกิเนี่ ย, นนยรูปเสียงเกอตาหูจมูกลิ้นกายพอมพอตาสัมผัสกับรูปปั้มมันก็รูปก็รับใจก็รับรู้ทันทีออตอนที้เห็นรูปแนละ้วเห็นรูปแนละ้วนะสัญญาก็เข้ามาทําหน้าที่ว่าเป็นรูปอะไรมีอยู่ในความจําเราหรือเปล่ารูปนี้เราเคยเห็นหรือเปล่าอาจจะจําได้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ดีหรือไม่ดีมันก็จะจําได้พอมันดีไม่ดีมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาดีก็สุขไม่ดีก็ทุกข์ขึ้นมาครับพอเกิดเกิดเวทนาขึ้นมาสามังขารก็เข้ามาถ้าเวทนาดีก็เข้าหาถ้าไม่ดีก็ถอยหนีสังขารก็สั่งให้ถอยนี่คือการทํางานของของนามาขันทำทำทำหน้าที่ให้กับใจผู้รู้ทีนึ่ เป็นเครื่องมือของืองผของ ผ, ผู้รู้ผู้รู้ผู้รู้นี่มีความโลภโกรธหลงมีเอาวิชาทําให้เกิดมีความโลภโกรธหลงถ้าเรามาปฏิบัติเรามาแก้ที่ตัวท่านุรู้ไม่ได้ไปแก้ที่ตัวสัณฐานาัขันเราแก้ตัวท่านรู้ไม่ให้หลงไม่ให้หลงกับสิ่งต่างๆให้เห็นว่าทุกสิ่งก็อย่างนในที่สุดก็คือดินน้ำลุมไฟนี่เองแก้ที่ตัวท่านรู้ครับ แล้วความสุขที่ได้จากดินน้ำโลงไปก็คือเป็นความสุขชั่วคราวพ อ, พอมันเสื่อมมันหมดไปก็ทำให้ทุกข์ขึ้นมาให้เห็นทุกข์ในการหาความสุขผ่านทางร่างกายจะได้หยุดหยุดหาไปาความสุข่ากการหยุดความอยากดีกว่าเพราะใจเวลาไม่มีความอยากแล้วความสุขมันจะโผล่ขึ้นมาเอง้ตัวความอยากนี่มันก็ผลิตออกมาจากธาตุรู้เนี่ยนะครับหลวงพ่อ อยู่ในธาตุรู้นะก็ก็จากก็วิชาความหลงไงหลงไม่คิดว่าอมีเงินแล้วจะมีความสุขมีแฟนแล้วจะมีความสุขได้ไปเที่ยวแล้วจะมีความสุขแต่มันมองเห็นด้านเดียวมันไม่เห็นอีกด้านหนึ่งว่ามันมีเจริญมีเสื่อมนะมีสุขมีทุกข์นะพอมีพอทุกข์ก็เลยทรมานใจแต่ก็ยังติดอยู่เป็นคนติดยาเสพติดใช่ไหครับ เนีย่ยต้องใช้การปฏิบัติสมถภาวานาวิปัสนาภาวานาถึงจะสามารถถอนความอยากได้ถอนความเสียงว่าตัวที่เป็นอริยสัจสมุทรไทยในที่พผู้เจ้าท่านท่านเทศเนี่ยก็คือเป็นเทศเกี่ยวกับธาตุรู้นะครับหลวงพอ่อใช่ธาตุรู้เนี่ยธาตุรู้เป็นตัวอยา่างอยา่างการมาตัญหาเพาว่าตัญหาวิภว่าตัญหานี่อยู่ในธาตุรู้อืมใช่ถูกแต่ใช้สังขารเป็นตัวตอบสนองความอยาก สังขายทั้งปรุงแต่งอยากได้นู่นอยากมีนี่แล้วก็ส่ง <2 S 2> วิญญาณส่ง ว, วิญญาณไปหาตาหูจมูกนิ้นกายเพ่จะได้ไปหาสิ่งที่สังขารที่ใจยอยากได้ถ่านรู้อยากได้เหมือนบงังคพุ่นยนตออใช่นั้นได้มาเท่าไหร่ก็ไม่อีกไม่พอใช่ไหมความสุขในโลกนี้มันเป็นแบบชั่วคราวแบบควันไฟ ได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปเ ด, ดดเดี๋ยวเราได้แล้วมาใหม่ใหมโอ้ยนีอกดีใจเดี๋ยวอยู่ไปมันไปกับมันสักพักพอมันชินตะชินหูน ช, น ช, นชินตาแล้วมันก็เบื่อละเบื่อครับเป็นเช่นนี้เรื่อยไปไปเรื่อยไป <c oughs> ก็เปลี่ยนใหม่เรื่อยพระเบื่ออันนี้ก็เปลี่ยนไปหาโน้นหน่อแก้เบื่อไปเรื่อยนะแก้เบื่อไปเรื่อยครับใช่ใช <c oughs> ่ก็ไม่มีวันจบต้องมาแก้แบบพระพุทธเจ้ามาหยุดความอยาก เราสอนให้เห็นว่าสิ่งที่เราไปอยากมันมันน่าเบื่อเดี๋ยวมันก็ทำให้เราเบื่อพอหยุดความอยากได้แล้วจิตก็จะสงบแล้วจิตก็จะมีความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากภายนอกแก้ที่ธาตุรู้กาที่ธาตุรู้ด้วยการภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาครับสาธุค่ะพ่อครับหมดคำถามก็้วครับ วันนี้คุณหมอเข้ามาพเพระว่ารับแจ้งไปบอกหรือเปล่าก็เอ่อจริงๆอยากจะถามหลวงพ่อมาหลายเทราแล้วครับแต่ว่าคือคือช่วงนั้นใช้มือถือเครื่องหนึงมันมันมันติดต่อไม่ได้อ๋อครับวันนี้กลับมาใช้กลับมาใช้คอมมันก็ใช้ติดต่อทางไลน์ได้ก็เลยส่งมาแต่ ค, คิดว่าคิดว่าหมอเขาต้องรู้อยู่แล้วว่ามันทุกวันมันพูดในเวลานี้ก็ในครับทราบครับหลวงพ่อครับก็ ท่า ถ, ถ้ามีถ้ามีเวลาก็มีมีความสงสัยกรับหลวงพ่ อ, อก็ก็<ๆ>จะเข้ามาแต่ว่าก็ถ้าไม่สงสัยก็ก็แล้วว่าติดงานก็ไม่ได้เข้าครับอีกอย่างหนึง่ง <c oughs> ก็ไม่อยากจะส่งไปเดี๋ยวจะหาว่าไปเหมือนครับไปดึงมาเดี๋ยวไม่พอรับแล้วไม่เข้ามาแล้วก็จะเกณฑใจครับ <c oughs> ไม่ได้ครับก็เลยก็เลยหยุดปล่อยหยุดหยุดดีกว <c oughs> ่าเดี๋ยวจะทํำอะไรเป็นการบังคับอะไรอะไรครับครับยุดดีครับแต่ว่านี่มือคัน็เลยลองส่งไปดู กนอาจจะส่งนะถ้ารูกันแล้วถ้ารู้กันแล้วก็ไม่ต้องนะครับแต่พอดีวันก่อนที่หมอส่งเรื่องบุญในที่ผ่าตัดหัวใจเด็กมาให้เนี่ยก็ส่งไปให้ญาติโยมคนหนึ่งเขาชอบทําบุญกับแพทย์กับรงพยาบาลแล้วเขาขอเขาอยากจะติดต่อแล้วก็ได้ให้ลายของคุณหมอไปไม่ใช่บว่าเขาติดต่อไปสรือเปล่ครับเขาไม่ได้ติดต่อกรับหลวงพ่อแต่ว่า เอคือเพื่อนไลน์ผมบางทีมันไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเองคะแต่ก็แต่ก็ติดต่อเข้ามาในในในในเว็บได้ครับก็เซิร์ชชื่อเว็บก็ขึ้นครับหลวงพ่อคือกําลังจะบอกว่าก็จะมีออกหน่วยสําหรับเด็กภาคตะวันออกเออ่ที่ที่ที่เดือนธันวนครับก็แค่นั้นนะครับอได้ครับถ้าเกิดเราติดต่อไปเพื่อจะรู้ว่าเราเป็นคนแนะนาไปก็แล้วกันอ๋อครับกรับขอบคุณครับหลวงพ่อครับ ท่านต่อไปคุณคุณแอนคุณหมอแอนไอโฟนแอนเชิญพ่อะค่อ่าพูดได้เลยอ๋อเกาเกาหลวง่อจะขาดหนูขอแม่ตาหลวงพ่อหนูไม่เข้าใจคือหนูเข้าใจว่านั่งสมาธินั่งสมาธิเพื่อ เ, เข้าสวดมนาโดยการเพ่งหรือว่าบริกรรมพุทโธดอยู่ที่สิ่งเดียวเนี่ยหนูเข้าใจว่าเออมันเข้าได้แต่ว่าถ้าเราใช้ปัญญาพิณาใช้ปัญญา พิจารณาเข้าสู่อัปปนาเนี่ยมันทำไม่เต็ม ย, ยังนุกอ๋ออันนี้มันต้องแบบว่าต้องไปเจอเหตุการณ์ที่รุนแรงต่อจิตใจเช่นเจอความเจ็บปวดรุนแรงหรืงเจอความตายเราใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางร่างกายพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงอ น, นัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ แล้วก็เห็นถ้อนนั้นจึงทุกองหน้าตาในร่างกายก็ปล่อยวางนะปล่อยวางความยึดติดเช่นความกลัวตายกลัวเจ็บพอปล่อยได้จิตก็เข้าสู่ความสงบได้อันนี่เราใช้ในการนีพิเศษโดยปกติเราไม่ใช้กันเราจะใช้การเจริญสติการเพ่งเป็นหลักแสดงว่าถ้าหนูทำที่บ้านแล้วฝึก ซอ้อมไม่สงสัยจะเข้ายากถ้าใช้ปัญญาใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีเหตุการณ์ใช่มันไม่มีเหตุการณ์มันก็เลยไม่มีอะไรที่จะมากระตุ้นให้จิตจะ ต, ต้องพิจารณาเพื่อตัดตัดกิเลสตัดความอยากที่ทําให้จิตใจวุ่นวายทรมานใจอยู่ในขณะนั้นก็ต้องใช้ดูลมหายใจไปวพุโทโธพุโทโธไป หรือพิจารณาอาการสามสิบสองไปก็ได้เท่า อ, อาการสามสิบสองไปหรือเพ่งดูอาการใดอาการหนึ่งของร่างกายเช่นโครงกระดูกนีอันเดียวแมันจะครับแต่ว่าแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะเราก็จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อเข้าอีกรอบหนึ่งนะทศาใช่ไหมอันนั้นก็ถ้าเรามีสติมีอัปปนาสมาธิแล้วเราก็ใช้ปัญญาเพื่อ จะเรีนวิปัสสนาเพื่อปล่อยวางร่างกายได้เพื่อบรรลุเป็นพระโสดาบันไดเนี่ันั้นอ๋อแต่ก็ไม่ถึงกับนักขนาดว่าต้องใช้ปัญญาพิจารณาเข้าสวดปัญนาใช่ไหมครับหรือว่า<ะ>ยังไงก็ต้องเข้าหมือนมันมันจะเข้าโดยตโนมันอนะ่ะถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้หยุดความอยากได้หยุดการอยากที่ไปยึดไปติดร่างกายได้ พอปล่อยร่างกายน้าจิตมันก็จะเข้ากับอัญาาาโดยอัตโนมัติตอนนี้ก็คือเอาเอาเอาแบบเอาแบบสมถะเข้าเอาแบบดูเท่งหรือดูจุดเดียวไปก่อนอจ่เก็แล้วแต่ญญ น, นะถ้าเกิดมันเจอไปเจอเหตุการณ์ถูกปนจยเข้ามาป้นมาที่เขาจะฆ่าเรางี้อาจจะต้องใช้ปัญญาปลงในตอนนั้นก็ได้ พอปลงด้านมันก็ยอมตายเพราะจิตมันกนิ่งเป็นอุเบกขาเหมือนได้เข้าเข้าปัญหาไปแล้วไม่เดือดร้อ น, น่ะมันจะฆ่ากับฆ่ามันจะทําอะไรกับร่างกายเราก็ปล่อยมันทําไปเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราเห็นว่าร่างกายมันไม่ได้เป็นตัวเราละสักกายาที่ติดได้อ น, นี้ถูกเหตุการณ์บังคับให้พิจณาเหมือนพ่อพระเจ้าเนี่ยพ่อพระเจ้าต้องเจ็บคไายได้ป่วย นอนอยู่บนเตียงถึงจะพิจารณาทางปัญญาได้แล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้แต่ว่าถ้าเราเฉยๆไม่มีเหตุการณ์มันก็เป็นไปไยากอ่ามันไม่มีอะไรมากระตุ้นทุกข์ไม่มีปัญญาบอกเกิดทุกข์บอกมีปัญญาบอกเกิดเฮ้ยถ้าอยากจะให้มีว่าอย่าให้เกิดปัญญาก็ไปดูในป่าสิเดินไปในป่าคนเดียวน แล้วคิดว่าเดี๋ยจะไปเจอเสือเจองูเข้าแล้วใจก็ทุกข์อ่งทีนี้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาปงปล่อยวางร่างกายได้ถ้าเจ็บก็นั่งให้มันเจ็บแล้วก็อย่าลุกหรือไม่งั้นต้องรอให้เจอโควิดสิบเก้า่อนแล้วเกิารเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมามันต้องมีเหตุการณ์กระตุ้นถึงจะใช้ปัญญาได้ ถ้าปกติมันไม่มีมันไม่มีทุกปัญญาปัญญามันเหมือนยาไงถ้าไม่มีอาการเจ็บไข้ร่างกายหนูจะกินยาไปทำไมใช่ไห ม, หไหมกินก็ไม่มีความแตกต่างอะไรแค่สองมันก็จะคลุมได้ค่คะแตมพ่อเจ้าค่าแล้วหนูหนูเนี่ยนั่งนั่งหนูหนูแบบนั่งชอบแบบนั่งสมาธิแล้วก็สงบสงบไปหนก็พอนั่ง เ, เรื่องพอเราอยากจะ พักสงแล้วเราอยากจะมาคิดมันไม่อยากคิดใช่ไหมฮะก็ใช่ดสกนั่งเมื่อมันสงบแล้วมันก็ไม่คิดไม่รอให้มันให้มันหลอกจากความสงบก่อนถ้ามันไม่คิดแล้วก็ต้องผลักมันให้คิดต้องสั่งมันให้คิดคิดร่างกายพิจารณาการสามสิบสองพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายไปต้องบังคับมันให้คิดวันนี้ อย่างนุ้งตาท่านติดสมาธิก็อย่างเงี้ยท่านเอาท่านไม่คิดท่านจะเอาแต่สมาธิอย่างเดียวจนนุงปู่มั่นเห็นว่ามันติดสมาธิก็เลยเตือนว่าสมาธินี่มันเหมือนเศษเนื้อนะเเนื้อติดฝันไปทางปัญญาจะได้เนื้อชิ้นใหญ่ๆที่ไม่ต้งองเพราะถ้าไปทางปัญญาท่านก็ไปฟุง้งร้างปัญญาแบบเลยเถิดพ mm hmm. ิจารณา ไม่ยอมหยุดต่าบอกบางทีเด็กก็นอนไม่หลับ mm hmm. เพราะความอยากจะรู้เรื่องปัญญามากมันก็เลยพิจารณาไปแบาบถ า, ามลูกถามขนะ้ามนะครัก็ได้สติว่าต้องต้องบังคับให้มันหยุดกลับมาเข้าพักผ่อนในสมาธิเลยต้องบังคับให้มันพุโทโธพุโทโธพุโทพโธหยุดคิดหยุดพิจารณาก mm hmm. ารปฏิบัติบางทีมันจะสุดตรงแบบนี้ สงบมันก็มันเตะสงบมันไม่อยากจะออกไปพอให้มันออกไปทางปัญญาพอมัพิจารณาปัญญาแล้วเกิดความเข้า อ, อกเข้าใจเบา อ, อกเบาใจก็อยากจะพิจารณาให้มากขึ้นไปเดินทางมันฟุง้งซ่านมีมีวันหนึ่งหนูนั่งสมาธิได้ได้นานหน่อยเพราะว่ามันนอนพอแล้วคราวนี้หนูก็ก็ก็คือพอคือเราก็ไม่ต้องมาคุยทรศัพท์แล้วเพราะว่าจิตเรามัน มันพ่งตืน่นนอนแล้วมันก็สงบแลว้วค่ะก็เลยลองพี่นาไปเรื่อยๆเรื่องอาการ32พอพิี่ณาไปเรื่อยปุ๊ใจมันบอกว่าโอ้เดี๋ยวร่างกายเราก็เจ็บป่วยแก่เป็นโรคมะเร็งนู่นนี่นั่นก็คิดแต่ก็ไม่ได้ฟุ้งซ่านนะคะมันก็ ค, คือคิดในกายเรานี่แหละว่าเออถ้าปรับเป็นนี่เป็นมะเร็งเ้านมเป็นนู่นเป็นนี่ทําไมมันทุกข์จังเลยเออถ้าเราเ อ, าอาวัยวะต่างๆออกจากร่างกายเรามันก็ ควาทุกมันก็น้อยลงนะเจ้าค้าเหมือนกับว่าเออเราก็ไม่มีอวัยาวะที่ทําให้เราต้องมานั่งดูแลหรือเจ็บป่วยแล้วแล้วคราวนี้จิตไม่บอกเออมีโครงกระดูกอย่างเดียวก็ดีเพราะว่าไม่มีอวัยาวะภายในมันก็ดีอสักพักหนึ่งก็ก็ก็พิี่ณาต่อไปว่าเออเอาแล้วทําไมไม่ทําลายโครงกระดูกไปซะเหลือแต่จิตใจอย่างเดียวมันก็เป็นอิสระจา ก, จา ก, จ, ากจากรูปจากรูปร่างของเราเนี่ยมันก็มีความสุขมากกว่าไหมอะไรเงี้ยค่ะจิตมันก็ก็ ฟอลโล่ของมันไปเองเนาะค่ะมีมีอยู่ครั้งหนึ่งที่หนูมีความสุขว่าเออพอพี่นาไปมันก็มีความสุกดีเนาะเออการที่เราไม่มีมันไม่ได้คิดนะคะว่ามันเห็นว่าการที่เราไม่มีไอ้ว่ต่างๆหรือว่าไม่มีโครงกระดูกเนี่ยมีแค่จิตอย่างเดียวเนี่ยมันมันสุขกว่าเยอะเจ้าค่ะตอนนี้มันก็เป็นแบบอาจารย์จะไม่มีร่างกายนัก็ต้องไม่มาเกิดเท่านั้นตอนนี้มันมีร่้วจะไปทําให้มันไม่มีไม่ได้ก็ต้อง ก็ต้องอยู่แบบไม่มีคือไม่ไปยึดไปติดไม่ไปถือว่าเป็นเราเป็นของเราไปเฮ้ยเห็นตรงนั้นว่าเอ้าเราก็เป็นให้ถึงจุดนั้นให้ได้ว่าเราเห็นแล้ว่าเฮ้ยการไม่มีกายเราเนี่ยมันมันสุกไปเยอะเลยครับถ้ามันมีก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่ได้เป็นเราเป็นของเรามันก็ได้จะได้สุขเหมือนกันเพราะส่วนใหญ่เราทุกเพราะเราไปไปยึดไปถือว่ามันเป็นเราเป็นของเรา ก็มีอันนึงที่หนูสงสัยในการปฏิบัติหนูว่าถ้าถ้าหนูนั่งสมาธิไปเรื่อยๆจนหนูปฏิบัติให้จิตเป็นอปปนาจนเป็นวัสีเนี่ยแล้วหนูก็ค่อยมาพิจารณาเนี่ยเองว่ามันีน่วตหรื อ, อว่ามันไม่มีทางเรื่องมันก็ต้องไปทางนี้ ถ้าหนูพิจารณาปัญญาได้ก็พิจารณาไปไม่ไม่ห้ามนี่แต่ว่าพิจารณาแล้วตรงได้เปล่ตาตัดได้เปล่ตาตัดกิเลสได้เปล่านั่นคือตัวเป้าหมายของการพิจารณาเพื่อสังจิตให้หายหลงพิจารณาว่าร่างกายเป็นแค่ตัวลองของเราแล้วเราปล่อยมันได้ปล่าปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตายได้เปล่าเราต้อปล่อยได้เหมือนกันเรามองเห็นร่างกายของคนอื่น ร่างกายคนอื่นก็จะแก่จะเจ็บจะตายแล้วไม่เดือดร้อนใช่ไหมร่างกายที่เรา mm hmm. มีอย่นี้ก็ต้องดูมันเป็นแบบนั้นดูว่าเป็นเหมือนร่างกายของคนอืนไม่ต้องเดือดร้อนไปกับมันอันนั้นแหละพิจารณาเพื่อให้มันเข้าใจแบบนี้ mm hmm. ถ้ายังเดือดร้อนอยู่ก็พิจารณาก็แสดงว่าพิจารณาไปก็มันก็ไม่ฟังไม่เชื่อเราไม่อื้ mm hmm. ต้องพิจารณาในตทางตายตละต้องพิจารณาไม่เทียมไม่ใช่ตัวเราของเราถ้าจะปล่อยวางร่างกายส่วนอาการ32าสองที่พิจารณาเพื่อละการมาลาค่ามากกว่าให้ดวูว่ามันไม่สวยงามมันสกกโกรกมันก็จะได้ละทมา่ชอบชาวเดินจงกมแล้ว มาลอมพิลาเรื่องของศพดูแต่มันอืนมันดูแป๊จะต่ก็มันดูดูพอเราเป็นศพในใจมัดูแป๊ดทีเเออก็ดูไปว่ามันก็เราเป็นศพต่อไปเวลาลากเวลาไม่ม่หายใจมันก็เราเป็นศพนะแต่ดูดูศพดูคนที่เราลากดีกว่าจะได้ไม่ไปรักเขาจะได้ไม่ไปถึงไปหวงเขา ดูเราเลยเจ้าค่ะไม่ดูเขาเลยดูเราเมื่เพลิเนี่ยพิจารณาสภาพก็พิจารณาดูคนที่เราไปรักไปหลงถ้าเราจะได้คลายความรักความหลงความหึงหวงอะไรต่างๆมารู้ว่าเป็นชาตศพก็ไม่เอาแล้วเนี่ยถ้าารเราเกิดไม่มีลมหายใจเรายังหวงอยู่อเยังเก็บไว้อยู่ที่บ้านหรืเปล่ายกให้สัรพไมใช่ไหม <c oughs> ต้องพิจารณาเราเลยเจ้คะ ไมเป็นพาคนอื่นเป็นชนาคนที่เรารักเราหึงเราห่วงเนี่ยที่เราห่วงเนี่ยที่เราคิดว่านขาสวยไม่ที่คนที่เรามีกามอารมณ์ด้วยคนที่เราที่เราเห็นว่าสวยน่ารักหน้าอะไรดูว่ามันตอนเห็นว่าเป็นสร้างสมมันก็ไม่น่ารักละจะได้อยู่คนเดียวได้เป้าหมายคือตัดการอารมณ์ พอไม่มีการมันลแล้วอยู่คนเดียวมันไม่เหงาเะแต่ถ้ามีการมานลมนี้เวลาอยู่คนเดียวมันจะรู้สึกเหงาว้าเวอ๋อเข้าใจผิด น, นูนแล้วว่าพิจารณาตัวเองเป็นศพแล้ว<น>ให้มีความสลดสั่งได้ว่าเออกายมันก็แบบว่าไม่ต้องดยุมันเจ้าไอ้นั่นไอ้นั่นคือแบบก็อีกแบบหนึ่งแต่พิจารณาว่าความจริงว่าร่างกายมันต้องตายพิจารณานี่มันต้องเป็นซากศพในวันหนึ่ง เราจะไปหวังให้มันอยู่ไปทั้งยาวนานไม่ได้อย่างที่เราชอบไปขอพรพระขอให้ยุ้มันขวัญยืนยั่งยืนอะไรนี่ยมันเป็นความเพ้อเจอทั้งนั้นความจริงไม่มีร่างกายมันไม่ไม่มีความถาวรพูดง่ายๆเดี๋ยวมันก็ต้องตายไปนี่คือแนวทางปฏิบัติมันมันร่างกายมันมีหลายมิติที่เราต้องเข้าใจ มิติขอสุขภาพนี่หมายถึงร่างกายของคนอื่นที่เราไปหลงรางด้วยวิติอนิจจันนี้เป็นวิติที่ร่างกายของเราต้องเห็นว่ามันแก่เจ็บตายมันต้องแก่เจ็บตายแล้วตายก็เป็นสรางศพไปเราต้องยอมรับสภาพของมันเวลามันเป็นเวลาห้ามันไม่ได้เป็นอนัตตา mm. อา่านะคุณหม อ, อใหนี่ก่อน แต่เพพาะใคิวยังรอยยอาวอยู่หลายคนด้วยกัน่เกือบสองชั่วโมงแล้วคุณเบนคุณแบวหรือไงคุณแบลพานุพง์สุดใจเชิญอันนิวไมโครโฟนไม่ทราบอยู่ที่ไหนมศัการพระอาจารย์ครับอยู่พิศณุโลกครับมีอะไรไหมครับอยา ก, การเรียนถามพระอาจารย์นะครับพอดีนั่งสมาธิไปแล้ว พอออกจากสมาธิมาแล้วมันรู้สึกแบบเหมือนอืมคลึมเหมือนเงี้ยครับไม่อยากไปรับรู้อารมข้างนอกครับถ้าอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นโมหะสมาธิไหมครับไม่หรอกมันก็เป็นมันก็เป็นความสุขเนี่ย ม, มีความสุขมันก็ไม่อยากจะไปรับรู้อะไรก็ดีจะได้ไม่ต้องไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงก็ปฏิบัติเพื่อตัดตัดความอยากทางทางด้านการอารมณ์ทั้งหมดเนี่ย อยากดูอยากฟังอยากอะไรนี้ถ้ามีสมาธิแล้วความอยากอันนี้มันจะถูกตัดกำลังลงไม่ถึงตายแต่มันทำให้มันอยู่บ้านเฉยๆได้ไม่รู้สึกทุกข์ความหมายม้นเป็นอย่างนั้นออครับถ้าไม่มีสมาธิอยู่บ้านไม่ได้เดี๋ยวอึดอัดอยากจยออกไปเที่ยวข้างนอกครับแล้วเวลาเวลาเราพิจารณาอารมณ์ที่มากระทบ ป, ปะครับเราเราต้องวางใจยังไงครับ บ้าเฉยไงให้รู้ว่ามันเราสั่งมันไม่ได้อารมณ์ต่างๆมันมาให้เห็นว่ามันเป็นอ น, นิจจังเกิดแล้วก็ดับไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาตอบโต้อะไรทั้งสิ้นให้รู้เฉยๆครับแล้วแล้ ว, ลวอาการนั่งสมาธิแบบว่านั่งไปสักพักหนึ่งแล้วแบบมันมันลืมพุโทโธมันเหมือนว่าเราจะหลับหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็จะมี แบบคล้ายๆตกหลุมครับฟุตเหมือนเราตกจากที่สูงนะครับอย่างนี้เป็นเป็นสมาธิไหมครับถ้ารู้สึกตัวตลอดเวลาก็เป็นสมาธิถ้าไม่รู้สึกตัวก็หลับผวังหลับกหลับครับครับครับขอบคุณครับพระอาจารย์ครับคุณสุภาจารยจากเดลัสเท็ก เปนยังไงมีอะไรไหมวันนี้อ๋อกลับนามัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีเจ้าค่ะลูกเข้ามาฟังเฉยเฉยเจ้าค่ะวันนี้อืมค่ะ<า><ต>ไม่มีเจ้าค่ะนี่นก็จะขยับไปท่านต่อไปนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณออนดี้อาห้าคุณออนดี้เชิญอาว่ามาค่ะอันนี้เดินทางมาถึงบ้าน แม่ละค่ะจะบอกว่าพี่สตูนค่ะสตูนไกลนะคุณแม่อยู่ไกลก็ทุกทีหนูนั่งเครื่องบินน่หนูเวลาเครื่องแลนดิ้นจะกลัวมากจะต้องกลัวทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้ผ่านมาได้ด้วยดีเลยค่ะหนูใช้พุทธูมาตลอดแล้วก็สามารถระงับความกลัวตัวเองได้ทุกทีแบบว่าเหงื่อจะออกเต็มมือเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ ไม่มีเหงื่อออกเลยดีมากมากนั่งับความคิดปรุงแต่งได้งานหนูบอกถ้ามันถึงที่จะตายก็ต้องตายคนเราพราะฉะนั้นพูดโทอย่างเดียวเลยแล้วมันก็มีอะไรเกิดขึ้นดีมากๆากเลยต้องมีทุกก่อนปัญญาสติปัญญาถึงจะตามมาคุาบอกมีปัญญาบาเกิดค่ะขึ้นเครื่งปั๊บนี่มันรู้เลยดีไม่ดีจะตายนี้เพราะงั้เลยต้องเตรียมโปองให้ได้ มันก่วยเองอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยแต่ทั้งทั้งจริงๆมันไม่มีอะไรเอแต่ว่าพอเนี่ยหนูใช้พุโทโธตามที่พระอาจารย์บอกครั้งนี้ไม่ไม่เป็นอะไรเลยจริงๆมือไม่มีอ่อนเลยดีใจจังเลยโอเคค่ะแล้วก็วันเมื่อวันพระที่ผ่านมาที่ไปฟังธรรมะพระอาจารย์นะคะมันสุขอีกแล้วอะ่ะพระอาจารย์กลับมาบ้านสองวันนี้หัวใจพองโตเลยนะคะดีมากมาก รู้ทั้งทำชนะรูทั้งปวด อ, อยาก ม, ยาๆๆมันอยากๆนะมันอยากอยากจะให้อยู่แบบนั้นบ่อยๆอะค่ะก็ฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆค่ะ ต, <c oughs> ต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิในการฟังใช่ไหมคะ<ช>พระอาจารย์ถ้ <ๆ S 2> าอยากังได้เต็มร้อยมันมีความรู้สึกว่าฟังข้อพระอาจารย์พูดอะไรออกมาทําไมอ๊ยมันใช่หมดทั้งๆ ท, ที่พระอาจารย์ก็พูดเรื่องเดิมแต่ว่าวันพระที่ผ่านมา มันใช่ทุกอย่างใช่มันบอกไม่มันไม่มีสติฟังอย่างต่อเนื่องนะครับน่ะก็เลยแบบกลับมาเล่าให้ป้าฟังบกเนี่นว่าใจมันพองมากเลยพะป้าหนูก็ไปบวชชีมาเป็นสิบปีเลยเหมือนกันก็เลยคุยธรรมะกันได้อยู่อะค่ะมีอะไรไหมอาจารย์เข้ามาบอกถึงตัตูนะ ค่ะบันรฟ้ไม่ได้เป็นบัตรฟ้าจารย์ค่ะปลายเดือนนะคะโอเคสาธุสาธุคุณพัทราพรบัวศพจากสเปนอบีซ่าขอตั้งใจสวัสดีนะอ่าสบายดีค่ะรู้สึกว่าเช้าหรือวหรือเมื่อานเขาบอกคุณส่งอาหารมาใช่ไหมเจ้าค้าหรอ่ะราคาหลง อยากทุกวันเจ้าค่ะสาธุโมทนาออยู่ขนาดอยู่สเปนยังได้ทําบุญได้นะมีเซ้นมีสายรู้จักคนที่นี่รู้จักแม่ครัวที่นี่สั่งเขาได้โอนเงินให้เขาเขาก็ทําอาหารให้ครับมีอะไรไหมวันนี้ไม่มีอะไรเข้ามาฟังตลอดแอ่าจะบอกหลวงพ่อมันมันนิ่งอ่ะหลวงพ่อมันนิ่งแล้วมันไม่อยากคุย ก็ดีเลยนะก็ดีแต่ก็อย่าให้มันถึงท่านแบบว่าถึงเวลาต้องคุยก็ต้องคุยอาจารย์ไหมต้องระวังต้องฝืนแต่ถ้ามันไม่จาเป็นจะต้องคุยใครก็ปล่อยมันนิ่งของมันไปนั้นแต่ถ้าเวลาเจอคนก็ต้องใช้เมตตาทักทายยิ้มแย้มอย่างคุณสุภาพาเนี่ยเคยมีปัญหามันจิตมันมันไม่อยากจะยุ่งกับใครพอเจอกฟนก็มายอมแสดงความเมตตาเข้าก็เลย กลัวขึ้นมาก็เลยไม่พอใจใัน้เวลาเราเจอคนเราต้องบังคับบังคับให้มีการปฏิสัมพันธ์กันทักทายกันยิ้มแย้มให้กับกันเท่าที่จำเป็นพอ เ, เสร็จแล้วเราก็กลับมาสง บ, บนิ่งของเราตามเดิมครับมันรู้สึกรลงคางไปหมดเลยสามีอะไรก็บางทีแบบว่าแล้วตอคิดถึงว่าเขาเลี้ยงเราถ้าไม่มีเขาเราก็ลำบากไง ถ้าเราถ้าเราเก่งจริงเราก็ไปอยู่คนเดียวไปเป็นแม่ชีเลยใช่ถ้าเราเีื่อคนใช่ค่ะเพราะว่าคือเจตนามันมันมีเอาไว้อยู่แล้ว่ยคะเจามันแต่ว่าเขาคิดในใจว่าตอนมันยังอ่าเรายังมีสัญญาอยู่นะยังมี ยังมีน้องรลวแล้วก็ยังมีสามีแต่ว่าแต่ในจิตแล้ึกๆอะมันเหมือนร้อยเปอร์เซนแล้วมันไม่อยากมันไม่อยากอะไรมันอยากจะภาวนาทั้งวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่อยากทําก็ทําไปเลยช่วงไหนที่ทําได้ก็ทําไปช่วงไหนต้องสังคมก็ต้องสังคมไปตามเท่าที่จะเป็นเจ้าค่ะแล้วตอนนี้ก็เริ่มปล่อยสังขารแล้วสีผมอะไรก็ไม่ทําอะไรแล้วค่ะปกติจะอคอยไปทําผมอยู่เลยนะอ เจอค่ะตอนนี้น้องลิวก็ถามคุณแม่คุณแม่จะไม่ทําแล้วจริงๆหรอัแต่เจออาการเจ็บไข้เข้าที่แล้วแล้วนี่เถียนเลยนะเจ้าค่ะก็คือปกติทุกเดือนก็จะต้องทําสีผมต้องอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ <ừ> ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทําไม่ท <ừ> ําละตั้งแต่ปีนี้นะ่าจะจะเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เข้าเป็นสาวมานี้เราก็เลยก็เลย ปล่อยอ่ะเริ่มปล่อยแล้วก็ดูมันดูสังขารดูมันจพิจารณาอัตาแล้วค่ะพิจารณาแล้วก็คือพิจารณาแล้วแบบหลวงพ่อแล้วลูกก็แบบว่ามันอยากจะถอดหมดแล้วอธิบายบอกใครไม่ได้มันแบบอยากจะถอดหัวถอดถอดเล็บถอดฟันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันทีแบบไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะเจ้าค่ะมันคือสภาวะอะไรใช่คะ <c oughs> แล้วเวลาแปรงฟันตอนเช้าอาหารลูกก็จะ <c oughs> ก็จะพิจารณาว่าเนี่ยมันคือส่วม น, นะปากเราฟันเราถ้าเราไม่แปรงมันอะไรเงี้ยก็พิจารณามันไปอย่างเงี้ยถูกไหมคะค่ะก็ต้องระวังบางทีมันสุดตรตงไปพิจารณาได้แตาา่อย่าทําให้เราเกิดความทุกข์เกิดความรังเกตนัํากายของเราเพราั้นต้องอยู่กับมันต่อไปใช่ค่ะแต่ให้เราพิจารณาคนที่เราไปหลงลหรักดีกว่าว่าเป็นเหมือนปากก็เหมือนส่วมแม้นอะไรตัวเขาสกโปก จะได้ตัดกรรมอารมาที่นําห้ต่อเขา่ะเจ้าค่ะหลวงพ่อตัวอันเนี้ค่ะอันนี้ลูกลูกตัดมาได้ตั้งแต่ปีที่แล้วอะคือพิจานาเขาเป็นอาสุภาษเพราะเขาเดินเข้ามาจะเห็นเขาเลยบางทีแบบพอเขาเดินเข้าห้องนอนมาเนี่ยเอ้ ย, อยูจะรีบเดินเข้ามาทำไมนะเนี่ยจะรีบเข้ามานอนทําไมอะไรอย่างเงี้ยคือจะจบแบบ เอ๊มันเราเยอะไปหรือเปล่าอะไรเยอะไปเพราะว่าบางทีเราเนี่ยังต้องทําหน้าที่แม่บ้านอยู่เราก็ต้องทําหน้าที่ต้องขาดหลวงพออันนี้เอาไว้ในการอนี้ที่เราไปบวชอยู่คนเดียวเราอยากจะไปมีอยากคิดถึงแฟนนะตอนนต้องต้องพิจารณาสุภาพเดี๋ค่ะตอนนี้ยังอยู่กับแฟนอยู่ก็อย่าไปพิจารณามากจนเแฟนเดี่ยวจะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะค้าหลวงพ่อมันเห็นหมดเลยพอเขาเดินเข้ามาแล้วเราเราพิจารณาอ่า ลูกพิจารณาแบบคือเห็นแบบพอก็เดินเข้ามาแล้วมันมันมองไปเห็นเลยว่าเป็นอสุภะเป็นแบบแล้วก็ก็เห็นหนอแล้วก็แล้วก็ช่องขาดมันเป็นสภาวะอันนี้ต้อ ง, องต้องหยุดมันไว้ก่อนถ้าเราจำจำเป็นจ ต, ต้องอยู่กับเขาอยู่นะช้ า, าง่าหลวงพ่อแต่ว่าใจมันเหมือนร้อยเปอร์เซ็นมันไม่มันมันไปแล้วช่องขาด ที่บ้านอะไรก็จะบอกว่ารอก่อนนะร อ, อ, อก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ <c oughs> ยาก้ายมาอยู่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาก็แล้วกันนะพราคาหลวงพอ่อเรามางทีต้องเปลี่ยนจากสุภาพมาเป็นการแผนเมตตาให้ความรักถ่อมามาให้ความเมตตาขเขาเดี๋ยวกลายรไปเกลียดไปชังเขาขึ้นม่อันนี้ก็สุดตรงนะถือสาถือเจ้าของนะครับกลับกลับสาถือสาถือเจ้าของ เในไปที่คุณนาเ ร, รือเนื้อครับคุณนารีครับคนเอ r าร์เออารีอันวิวไมโครโฟนก่อนอันวิวเป็นไหมกดปุ่มอันวิวครับมีปั๊ปปั๊เมนูอยู่ตรงกลาง okay. โอเคโอเคเสรแล้วค่ะอ่าได้แล้วพูดดังๆหน่อยเรานมรดกการอาจารย์เจ้าค่ ะ, อ, ะอยู่ที่ไหนอยู่ไต้หวันค่ะอ๋อไต้หวันเคยเคยเข้ามาข้างหนึ่งแล้วนะ ใช่ค่ะเซฟเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วค่ะเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้ออรู้รู้สึกว่าวันนี้จะเห็นคุยกับลูกค้าค่ะแล้วมันมีเหมือนกับเขาพูดว่าเหมือนกับเขาพูดว่าคนไทยไม่ค่อยกระตือรือร้นในการทํางานแล้วเราเห็นออความโกรธเนี่ยมันผุดขึ้นมาจากเหมือนกับว่ามันกําลังเดือดขึ้นม า, า ก, กลางหน้าอกอะค่ะแล้วสักพักหนึ่งมัน ก, ก็ก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะ ก, ออก็คือก็คือเหมือนกับ มันเหมือนกับพอเราเห็นพอราพอเราเห็นอาการเขาเหมือนกับเดือดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็เอาเอาจิตเอาเอาข้างในเราไปดูค่ะว่าอ๋อเธอขึ้นมาแล้วอย่างเนี้ยค่ะอะถ้าหยุดมันได้ก็แสดงว่าเรามีสติถ้าถ้าสติแตกก็อาจจะด่ากลับเพราะคุยว่าเขากลับไปถ้าเห็นว่ามันเกิดแล้วก็ปล่อยให้มันดับไปก็โอเคแต่ทางที่ดีอยาให้มันเกิดจะได้ยิ่งดีเออ S <S เราไปเราต้องพิจารณาว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้คําพูด oh, <okay. S 1> ของเขาความคิดของเขามันเรื่องของเขาก็ปล่อยเขาคิดไปปล่อยเขาว่าไปเราดูที่ดูที่ความจริงดีว่ะเห็นที่เขาวาจริงหรือป่ะ oh. ถ้าจริงก็ต้องยอมรับว่ามันจริงอความจริง oh, คนไทยเราก็เหมือนอย่างนั้นอ่ะไม่เคยกระตือรือร้นเหมือนคนต่างชาติเท่าหไหร่ใช่ไหมว่ <พอ S 1> oh. เราไม่เราไม่ได้รู้เหมือนเขาเนี่ยเรามันมีนธรรมะธรรมโมเราก็เลยไม่กระตือรือร้นกัน เรา <c oughs> สันโดดมากน้อยสันโดดพออยู่พอกินได้เราก็พอแล้วใช่ไหมนิสัยคนไทยเราเป็นอย่างงั้นเนเจ้าค่ะอ่นี่ยก็ไม่เป็นไรเนี่ก็พูดหญิงก็ถูกเพราะว่าสวัสดีเมืองไทยมีความสุขก็เพราะไม่ไม่กระตือรือร้นกันไม่เครียดกันใช่พวกยู น, น่ะกระตือรือร้นพวกยูเลยเครียดกันใหญ่เล <c oughs> <c oughs> แต่แต่ไม่ได้ตอบเขาไปแบบนี้เจ้าคะ<อ>า่ะตอบเขาไม่แล้วก็เราตอไปภายในใจของเราเองไงไม่ต้องไปบอกเขาว่า แตสอนสอนตัวเองค่ะว่าสอนตัวเองค่ะสอนตัวเองค่ะแล้วก็ก่อนก่อนจะเลิกงานนะคะก่อนจะปิดร้านนะคะก็มีลูกค้ามาพูดแบบว่าลักษณะว่าเออเธออย่าไปขโมยไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่รู้จะอธิบายไปทําไมในสิ่งที่ที่เราคือเราไม่สามารถไปเปลี่ยนความคิดของคนอื่นได้อะคะ่ะก็เลยนั่งก็เลยนั่งเงียบๆพอพอลูกค้าปัดผมเสร็จแล้วคุยกันเสร็จก็นั่งเงียบๆแล้วบอกตัวเองว่าไม่รู้จะพูด พูดไปทําไมเพราะว่าเราจะไปบอกบอกคนอื่นว่าเราดีอย่างนู้นอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์ในเมื่อความคิดเขาเขาเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเจ้าค่ะใช่จงต้องก็ไปเ่อยเขาวาไปตามตามความความคอยากของเขาเราก็มีหน้าที่ฟังเขาฟังไปฟังแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปไม่ต้องมาแบกให้มันเหนื่อยเจ้าค่ะแต่ว่าเอ่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคือรู้สึกว่าตัวเองจะ เหมือนกับไม่มีสติอ่ะค่ะมันเหมือ น, นกับอารมณ์โมโหมัน <Yeah. S 2> มันรุนแรงมาก <Yeah. S 2> มันรุนแรงมากเลยเจ้าค่ะพุโทโธพุโทโธถ้ารูว่าเริ่มมีอารมก็พุโทโธพุโทโธไปแต่แต่จะรับรู้ได้ว่าพระอาจารย์เจ้เวลาเวล า, เวลาเขาเหมือนกับมีแรงดันออกมาอยากให้เราพูดอะเจ้าค่ะห mm. มายถึงว่าถ้าเป็นเป็นลักษณะแรงดันเหมือนกับเขามีพลังมากค่ะที่เวลาเราอยากจะพูดอะไรแล้วมันอยู่ข้างใน เหมือนกับมันจะปะทุออกมาถ้าเกิดว่าถ้าปะทุออกมาแล้วเนี่ยบางครั้งก็จะรู้สึกจะสบายใจแต่ว่ามันจะทรมานมากอะเจ้าค่ะหมายถึงว่าถ้าไม่ได้พูดออกมาเนี่ยมันรู้สึกเหมือนกระวนกระวายเหมือนกับไม่รู้จะพูดอาการอย่างนี้ยังไงอะเจ้าค่ะครเพราะว่าเราไม่มีสติเนี่ยมันเดงแสดงอาการต้องสวดมนต์ไปดิบาสู้กับมันด้วยการสวดมนต์แล้วท่องพุทโธพุทโธไปหรือาการที่อยากจะพู ด, พดอดยากจะแสดงอะไรมันก็จะสงบตัวลง มันจะกระวนกระวายมากเหมือนกับเราเราับรู้ได้ว่าเขาพลังพลังของเขาเหม<ช>ือนว่าพลังของกิเลสเขาจะหนักเขาจะ เ, ออเยอะมากค่ะเจ้าค่ะคือสติแล้วอ่อนกําลังเราต้องเรียบดึงสติกลับมาคุมมันให้อยู่แ ต, แต่แต่เรารู้น ะ, จ ะ, นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ว่าแต่ตัวเองรู้นะเจ้านะเจ้าค่ะว่าเนี่ยพลังอันเนี้ยเราจะแก้เขาอย่างไงดีเหมือนกับเราใช้สติอย่างที่บอกเนี่ยสติตั ว, วนี้ว น, นันเอพุโทโธไปสวดมนต์ไป เจ้าค่ะโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีเจ้าค่ะกับขอบพระคุณเจ้าค่ะโ okay. อเคงั้นขอไปที่ท่านต่อไปคุณพัทรยารู้สิกรอมานานแล้วไม่ทราบจะพูดอะไรไหมอันนิวไมโครโฟนอันนิวอเสวัสดีค่ะครับ <you> สวัสดีพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหน อ๋ออยู่ที่เวียนนาออสเตรียยุโร<อ>ปอะค่ะ เ, <อ>เคยเข้ามาคุยกับพระอาจารย์ครั้งหนึ่งแล้วอะค่ะอพอดีวันนี้วันเป็นวันเกิดตอนแรกว่าจะไปทาบุญที่วัดนะคะแต่ว่าพระท่านบอกว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวกเพราะช่วงนี้เขายังมีมาตรการโควิด<อ>ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวรอเปน็นอาทิตย์หน้าก็ได้ค่ะ อ, อ่ก็ทาบุญด้วยการฟังเทศแทนก็ได้นำสมาธิไปก็ได้ค่ ะ, คะ ก็อยากจะบอกพระอาจารย์ว่าเคยฟังพระอาจารย์เอไม่แน่ใจว่าเป็นคลิปหรือว่าเป็นเป็นอิอนโฟ<อ>กราฟิกอะค่ะที่พระอาจารย์บอกว่าวันเกิดเนี่ยให้สนใจให้ไปมุ่งวันไม่เกิดมากกว่าค่ะนี่ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นอะไรที่ฟังแล้วแบบกินใจก็เลยจะน้อมนําอันนี้มาใช้ในทุกวันเกิดนะคะเออดีเพราะวันเกิดคือวันแก่วันเจ็บวันตายใช่ไหมค่ะ ถ้าวันไม่เกิดก็แสดงว่าไม่มีการแกไม่มีการเกิดไม่มีการตายค่ะก็ปกติก็จะนั่งสมาธิเ อ, อทุกๆประมาณพยายามทําให้ได้ทุกวันนะคะไ ม, ไม่ว่าจะขยันหรือขี้เกียจก็จะพยายามแบบทําทุกวันให้ต่อนเนื่องทุกวันนะคะบางทีทาไปเรื่อยๆจนเรารู้สึกว่าโอ๊ยแบบมีวันหนึ่งฉันต้องมีธุระอะไรฉันต้องรีบจาัด ก, การให้เสร็จแล้วฉันก็จะหาเวลาครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะออกไปนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวอะค่ะอ ก็ดีพยายามทําให้มากๆ ก, การปฏิบัตินะดีที่สุดค่ะก็ไม่มีอะไรไม่มีคําถามอะไรไว้โอกาสหน้าจะเข้ามาถามใหม่ค่ะก็ขอให้พบ ว, วันไม่ตายกันเร็วนี้นะขอบคุณค่ะมันไม่เกิดมันไม่เกิดไม่ให้ันไม่ตายมันตายต้องเจอกันทุกคนขอขอให้พบ ว, วันไม่เกิดอะ จ, ะจะได้จะได้ตายเป็นครั้งสุดท้ายครนี้เป็นครั้งสุดท้ายโอเคนะ รสึกจะหมดแล้วต้องท่านทั้งหลายที่เข้ามาเอาย่ง้เป็นคุณก้อยคุณก้อยใจคุณก้อยใจท่านสุดท้ายที่ยังไม่ได้ถามมีอะไรอยากจะพูดไหมเชิญอยู่ที่ไห น, นเออไม่มีเสียงพู ด, ดแต่เสียงไม่เข้าไมโครโฟนคงเป็นตอนที่เวลาเข้ามาไม่ได้กดบอกเขาว่าเราใช้คอมพิวเตอร์ด้วยใช้เลยเสียงไม่ออกมาคุณก้อยใจเสียใจด้วยนะ ได้แต่ยินเสียงถ้าอยากจะพูดต้องกลับเข้ามาใหม่แล้วเวลากลับเข้ามามันจะถามว่าใช้ใช้ออดิโออะไรแล้วก็ต้องกดคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ออดิโอด้วยอินเทอร์เน็ตนี่มันมีถามโอเคนะวันนี้ก็2ชั่วโมงกับ6นาทีแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ท่านถามได้ทั้งหนึ่งสองสองหนึ่งสองหนึ่งกับสอามข้อเป็นคำถามสุดท้ายอ่ะ ครับุอาจารย์เออข อ, ข อ, ขอญาตมีมีคําถามทางเฟซบุ๊กเข้ามานะครับอ้าวเชิญเงี้ยเราทางเฟซบุ๊กก่อนนะครับเอมีหกคาถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าคะ่ะคําถามแรกจากคุณหญิงอุทัยวันกราบนมัสการเจ้าคะ่ะหลานอายุสิบขวบถามว่าทําไมคุณป้าที่ปฏิบัติธรรมจึงตายก่อนพี่น้องคนอื่นในครอบครัวคะอ๋อมันไม่แน่นอนหรอกความตายมัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติธรรมแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมจะ ต, ตานก่อนตายหนังนี่อยู่ที่บุญ<ม>บุญที่ได้ทํามาหมดพุนเมื่อไหร่มันก็ตายมานั้นคำถามต่อไปจากคุณปู่อยู่กับสถานที่ที่มีกลิ่นเหม็นควรพิจารณาอย่างไรคะก็พิจารณาว่ามันไม่เทียมมันก็คองที่มันเหม็นเดี๋ยวมันก็หายได้หรือว่าพิจารณาว่ามัน มันเป็นสิ่งที่เราไปห้ามมันไม่ได้มันเหม็นก็ต้องปล่อยให้มันเหม็นไปก็ต้องอยู่กับมันไปทําใจให้อยู่กับมันถ้าทนไม่ไหวก็ใช้สมาธิก็ได้นั่งพุโทโธพุโทโธทําจิตให้สงบให้เป็นดูเบกคคาแล้วก็จะอยู่กับกลิ่นที่เหม็นได้คําถามต่อไปจากคุณสัชิธรมั่นสแสวงทําอย่างไรถึงจะได้นั่งนานๆเจ้าคะ ต้องฝึกสติเยอะๆต้องฝึกพุพโทโธม่อยๆก่อนที่จะมานั่งให้ท่องพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาปุ๊บอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องหนึ่งเรื่อ ง, องนี้ให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วเวลาไปอาบน้ำหน้าๆแบ่งปันก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วเราจะมีสติมากขึ้นแล้วเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งได้สงบได้เร็วได้นานคุณถามจบ ต่อไปจากคุณโจกพานุเดชมีสองคำถามเจ้าค่ะกราบนักมัธยารพระอาจารย์ครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราเกิดทุกข์เพราะอะไรสิ่งต่างๆทําให้เราเกิดทุกข์เราจะออกจากทุกข์อย่างไรครับก็อยู่เหตุที่ทําให้เราทุกข์สิเหตุที่ทําให้เราทุกข์ก็คือความอยากอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากร่ำอยากรวยอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องหยุดความอยากเหล่านี้ แล้วเราก็จะไม่ทุกข์คำถามที่สองคือจริงไหมครับที่ทำบุญกับพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยบุคคลพระอรหันต์จะได้บุญมากครับคือบุญที่เกิดจากการเสียสละของเรานี่ไม่ว่าจะทำกับใครก็ได้เท่ากันแ้าเรามีเงินร้อยบาทเราไปทำบุญกับพระอรหันต์หรื่าไปบุญมีเงินล้อยบาทเราไปซื้ออาหารให้สุ น, นัขกิน บุญที่เกิดจากการทำบุญของเรานี้ได้เท่ากันแต่สิ่งที่เราจะได้จากหมาจากพ่อหานนี่ต่างกันถ้าไปเลี้ยงหมาหมาไม่ก็กระดิกคางให้เราแต่ถ้าไปทาบุญกับป้าทานท่านก็สอนธรรมะให้กับเราธรรมะนี้ก็เป็นบุญอีกอย่างหนึ่งที่ที่จะทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะั้น เ น, นี้ยิสงที่ได้จากการทำบุญกับพระหลานเธอได้เพิ่มได้ธรรมะเพิ่มถ้าทํากับคนที่ไม่มีธรรมะก็จะไม่ได้ธรรมะเท่านั้นเองแต่ได้การเสียสละเงินร้อยบาทของเราไปได้บุญส่วนนั้นไปแต่บุญที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทําบุญด้วยนี่อยู่ที่ว่าเขามีอะไรให้ให้เราหรือเปล่าเราไปทําบุญกับพระพุทธเจ้าพระหลานท่านมีธรรมะถ้าอาจจะพูดคำสองคำเราก็อาจจะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเลยก็ได้ คำถามสุดท้ายจากคุณนกกราบเรียนถามการจะก้าวผ่านกามรมาลาคะของระดับอนาคามีพิจารณาแค่ธาตได้หรือไม่หรือต้องใช้อสุภะเท่านั้นเจ้าคะก็ลองดูสิบางคนเห็นเป็นธานุแล้วดับการมาลมได้ก็ดนะับแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ได้ยินได้ฟังได้มามันมน่าจะต้องใช้อสุภะมากกว่าเพราะเหตุที่ทําให้เกิดการมาลมเพราะว่าเห็นว่าเป็นสุภะเห็นว่าสวยว่างาม นี้นก็ต้องคลิกมันให้มันเห็นว่าไม่สวยไม่งามมันจะจะได้ดับกามมาหลงได้เสร็จแล้วใช่ไหมคุณานหมดแล้วเจ้าค่ะใครมีอยากจะถามเชนยก ม, มือถามขึ้นมาได้ให้ให้โอกาสาคุณกล้องเป็นกล้องครั่ ะ, ะพระอาจารย์ครับอ๋อ<จ>พูดได้เลยพูดได้เลยพระอาจารย์ครับอฝั่งเทศครับป่า แล้วพอบางวันเราว่างๆอย่างเงี้ยเราปฏิบัติอครับพยายามที่จะพุโทโธทั้งวันเลยพยายามที่จะทําให้ได้ทั้งวันเงี้ยครับแล้วพอทำแบบสักพักมันก็แบบมันรู้สึกแน่นนะมันเกร็งๆนะครับเป็นธรรมดาเวลาปฏิบัติกิเลสมันก็จะพยายามต่อสู้กับเรามันก็เลยอาการอาการรู้สึกเออเกรงขึ้นมาได้ก็อย่าไปสนใจเราพยายามให้อยู่กับการปฏิบัติของเราไปพุโทโธพุโทโธไป เดี๋ยวพอใจสงบแล้วมันอาการต่างๆมันก็จะหายไปอืมครับพระอาจารย์ครับแล้วก็มีคําถามครับคือถ้าสมมุติว่าเราอยู่บ้านเนี่ยแล้วเราตั้งกระปุกไว้กระปุกแดงเนี้ยครับแล้วเราก็อตั้งใจว่าจะทำจะเอาไปทําบุญเนี่ยครับก็แ <c oughs> ต่ <c oughs> ว่าเราเราทําเพื่อว่าบางทีเราไม่มีเวลาไปวัดด้ครับได้ถือว่าเหมือนทำบาตรทุกวันอะไรทำก็ <c oughs> วันนั้นเราอยากจะใส่บาตรแล้วไม่มีผ้ามาใส่แล้วก็เอาเงินใส่กระปุกไปว่าเป็นเปป็็นนเเงินที่เราทําบุญไปแต่ข้อแม่ก็คืออย่าไปแตะมันนะอย่าไปถือว่าเป็นของเรานะไม่ใช่วันดีคืนดีเกิดเงนินไม่พอใช้ก็ไปขอยืมจากกระปุกมาก่อนนะอ๋อแต่นี่คือสมมติว่าวันหนึ่งเราจะไปวัดแล้วเราก็ไปหยิบเงินมาซื้อของไปทําบุญนิดได้ใช่ไหมครับได้ได้เพราะว่าเป็นเงินที่ อาไปใช้ย่าง่งไม่ได้ออเป็นเงินทำบุญครับผมโอเคนะเยี่ยมครับ ม, มีใครอยากจะถามอีกไหมคุณคุณล้ามีหนึ่งคำถามมาเพิ่มจากทางเฟ e บุ o k เจ้าค่ะจากคุณเพ็กกี้ทำสมาธิแล้วบทแผ่เมตตา ม, มีความจำเป็นไหมคะกราบเรียนถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ถ้าเราอยากจะอยากจะ ศึกษาหรืออยากจะเตือนสติว่าเมตตาต้องทําอย่างไรเราก็ศึกษาด้วยการสวดนี้มันไม่ได้เป็นการแผ่การสวดบทแผ่เมตตาที่เป็นการเรียนรู้หรือวเป็นการเตือนสติให้เรารู้ว่าการแผ่เมตตาต้องแผ่อย่างไรจะแผ่เมตตาได้จริงๆตั้งเวลาเราเจอกันเช่นตอนเนี้เราเจอกันเราทักทายสวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าเนี่ยรือมีขนมนมเนยมาฝากกันนี่เรียกว่าแผ่เมตตา คุณภัฒนาใช่ครับคุณพัฒ น, นาครับจะขอฝากยืนถามพระอาจารย์นะครับเพื่อว่าเรานั่งสมาธิจะได้รู้ว่าอยู่ประมาณไหนคือถ้าเป็นถ้าเกิดเราได้ปฐมฌานนี่คือแปลว่าเราจะมีเป็นปิติสุขแล้วก็เป็นพวกวิตกบวิจาร์ใช่ไหมครพระอาจารย์แถ้าไ ม, ไม่ต้องไปรู้มันหรอกให้มันอยู่มีสติอยู่ไปจนกว่ามันจะสงบนิ่งเป็นูเบกขาอเอาแค่เบกขาอย่างเดียวใช่ไหมคะที่เป็นแบบปัณสมาธิ ถ้าแล ถ, ถ, ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็อย่าหยุดภาวนาภาวนาไปเรื่อยๆดูลงไปเรื่อยๆอาแล้วนะวันนี้ที่ว่าพอสมควรกับเวลาสองชั่วโมงกับสิบห้านาทีคนนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านหวังว่าท่านคงจะได้เอาไปใช้ให้ก้าวหน้าลุ่งเมืองต่อไปในทางธรรมก็คิดว่าะจะขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้